เริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งเพื่อมาสนทนาถามตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานศีลภาวนาท่านที่สนใจก็ขอเชิญเข้ามาร่วมได้วันนี้เราก็จะไปที่เด็กชายพีเควันนี้อยู่ที่ไหนพีเค น้ำตกันคาารับพ่อจันวันนี้ใหญ่บ้านแล้วคาารับพ่อจันเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพเล้วค่ะที่กรุงเทพค่ะาายอยู่ที่กรุงเทพค่ะบพ่อจันเนีเป็นไงบ้านใหม่ดีกว่าบ้านเก่าไหมดีกว่าบ้านเก่าครับเอีดีตรงไหนมันมีสระว่ายน้ําแล้วก็มันมีมันมีที่ให้เล่นแล้วก็ รู้สึว่าบ้านมันใหญ่กว่าครับพ่อจานอ่าหนูชอบมากไหมชอบมากขรับพาจา่จันอ่าหนูเป็นคนโอคดีนะได้อยู่บ้านใหญ่ๆมีสระว่ายน้ํานี่ด<ช>ีใ จ, ใจไหมอีใ จ, าจารใครับพ่จันแม่เป็นคนหาให้หนูอยู่เน่ย <ใจ S 1> อือ<จ>แม่แม่หนูใช่ไหมใช่ครับพาา่อจัน อือต้องจําไว้นะแม่หนูมีพระคุณมากนะใช่ไหมใช่คัมจาร์อือแต่ไม่มีแม่หนูหนูอาจจะอยู่ที่ข้างนอนข้างถนนกันได้นะใช่ไหมอยากจะนอนข้างถนนไหมไม่คัมพรีร์อ่านั่นนะนั่นนะเพราะหนูมีแม่ที่นักหนูมาก หนูต้องจําไว้นะไม่มีการรักหนูเท่ากับแม่หนูนะเข้าใจไหมเข้าใจแล้วครับพายจ้าหต้องรักแม่เหมือน ก, นกันที่แม่รักหนูนะโอเคครับพายจ้าโอเคต้องสมาที่ได้กี่นาทีแค่นี้ได้หนึ่งนกินใช่ปะอาทิตย์นี้ไม่คยได้ทำใช่ไหมอาทิตย์นี้ลืมทำครับแต่ว่าเมื่อวานทําได้หนึ่งนาทีครับ เนี่ย โ, โหเก่งมากนะต่อไปพยายามทำทุกวันได้ไหมวันนั้น<ค>น <ขอ S 1> ึได้ค่ะพระจรโอเคมีอะไรอีกไหมอืมถ้าเราถ้าเราแบบว่าสติหายแล้วก็เราทำให้ดีไปเราควรทำไงดีอะคับพระเจรต้องโทษตัวเองไปมลงโทษตัวเองงดกินขนมหนึ่งอาทิตย์นี้ ดีมาจะได้จำได้เราเปน็นได้จะได้ไม่เสียสติไม่หายสติจะได้ไม่หายเข้าใจแล้วครับพรอาจารย์หนูกินขนมอยู่เปล่าทุกวันนี้อืทุกวันค่ะทุกวันเลยครับพอาจารย์ต่อไปถ้าหนูเสียสติทําอะไรเสียหายหนูต้องลงโทษตัวเองนะไม่กินขนมสามวันไม่กินขนมห้าวันทําได้ไหม เดี๋ยวจะลองทําด well, right? ูคะไม่ก okay, ล้ารับปากนะทำไมไม่กล้ารับปากอ่ะันจะถามมันยากตรงไหนอืเดี๋ยวกลัวจะทําไม่ได้อีกโอเคดีอย่างน้อยก็ซื่อสัตว์สุจริตนะโอเค อย่าพูดปิดนะถ้าทำไม่ได้ก็บอกทำไม่ได้นะอย่าเพิ่งไปรับปากดีแล้วนะ <c oughs> โอเคมีอะไรไว้ไม่มีแล้วค่ะอาจารย์โอเคอก็กราบกราบแล้วล้วก็ไปได้นะขอบอาจารย์สงคัญรูปกราบพุทโธธรรมโมสังคนกราบพระพุทธพระธรรมพระสระงฆ์อจรับ โอเคค่ะโอเคนมรสรานะะพระอาจารย์อ่หนูมีอะไรบ้าหนูไม่มีค่ะหนูไปญี่ปุ่นมาหนึ่งวันไปทําธุระค่ะพระอาจารย์คืนวันอาทิตย์แล้วก็กลับคืนวันจันทร์เลยวิ่ง อ, อย่างเร็วเลยค่ะอืมต้องกลับมาทํางานต่อให้เขาแล้วก็กลับมาดูเขาอะค่ะเพราะว่าฝากเพื่อนไหวค่ะพระอาจารย์อืม อ่ากับขอบพระคุณพระอาจารย์ด้วยะเจ้บอกลูกเป็นบ่วงไงบ่วงเป็นบวกไหเป็นเป็นค่ะพระาอาจารย์เพราะว่าไปนานก็ไม่ได้เพราะว่าเขาเพิ่งเปิดเทอมด้วยก็เลยแบบเอาไปก็ไม่ได้ไปเองไปอยู่นานก็ไม่ได้ก็เลยต้องไปวันเดียวค่ะเหนือออ่อยมากค่ะการมปลูกก็เป็นทุกข์ค่ะพระอาจารย์ ที่ให้เขาเข้ามากราบพระอาจารย์รู้สึกว่าเขาดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเวลาข้างนอกเขาเขาดื้อมากค่ะแต่เวลาให้มากราบพระอาจารย์ดูพูดจะค่อยๆดีขึ้นทุกวันทุกวั น, วนต้องกราบขอพระคุมพระอาจารย์มากเลยค่ะก็ เ, เขารู้ว่ามีพี่ป้านะคอยเฝ้าดูอยู่ทุกคน <c oughs> เราเป็นเหมือนครอบครัวใหญ่เนียค่ะพระอาจารย์มีพี่น้องมีพี่น้องเขามาพบปะกัน ค่ะรู้สึกแบบโอ้พูดจา์รู้เรื่องขึ้นทุกวันทุกวันโตขึ้นโอ้ตอนจังวันนี้ดื้อสุดเลยแต่เวลาเจอพระอาจารย์ทีไรเขาพูดครับพูดรู้เรื่องค่ะอ่าดีแสดงว่าพัฒนาการที่ดีกลบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่เมตตาเจ้าค่ะสาธุจ้ขอบคุณค่ะอ่าจะแม่กระเจัดที่พระราพัสก้าพัะอาจารย์ ว่ายังไงมีอะไรไหมวันนี้มาส่งกันมากเช่นเคยครับโอเคว่ามาเลยเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล้มพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล้มพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล้มพนความตายไปไม่ได้เราจ ะ, ะเราไม่เป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายถึงพวง เรามีกําเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแั้เกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมใดไว้เป็นบุหรือเป็นบาปเราจะเป็นใครยากถือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนานๆสึกไปเราทั้งหลายคนติารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถอแล้วร่างกายเราเป็นยังไงบ้างครับไม่สวยงาครับ มีการสับสองครับมา ม, า ม, ามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอน็นกระดูกเยกในกระดูกมา้าหัวใจตับอําพภอใ์ไตปอดเส้นใหญ่เส้นน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าแยกในสมองศีรษะน้ำดีน้ำเสจน้ำเหลืองน้ำเลือด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 ปอดไตพังเผืดตับหัวใจม้ามเยื่อนกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันเล็บขนผมเวลามองเห็นร่างกายของไครทั้งเขาทั้งเรานี่พยายามมองให้เห็นอาการสามสิบสองด้วยนะครับแต่ได้ไม่หลงนะมักจะหลง เ่อไปคิดว่าร่างกายนี่สวย ง, งามน่ารักน่าชมครับจริงแล้วก็มีหนังบางๆหุ้มห่อไว้ไเองโอเคมีอะไรไหมไม่มีครับนั่งสมาธิกี่นาทีในนี้ตอนนี้สี่สิบนาทีครับสี่สิบนาทีกินยาเยาเพเิ่มไหมจะต้องข่าเวลาเอาครับแค่นี้ก่อนนะครับแล้วนั่งแล้วสงบไหม ก็สงบบ้างไม่สงบบ้างครับทรมานไหมไม่ครับไม่ทรมานโอเคนั่งวันละกี่นั่งทุกวันหรือเปล่าครับทุกวันเลยก็ถ้าเกิดบางวันไม่นั่งก็จะมาชดเชยครับนั่งตอนไหนตอนกลางคืนครับก่อนนอนครับโอเคไม่หลับนะนั่งแล้วหลับหรือเปล่าไม่หลับครับโอเคอย่านั่งหลับนะถ้านั่งหลับก็ถือว่าไม่ได้นั่งนะะ ต้งนั่งต้องตื่นต้องมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาครับโอเคดีมากาท่านนี้ก่อนนะครั บ, รบขอบคุณฟ้าจารครับเอน้องททมตาน้องทีมว่าไงนั่งไกี่นาทีแล้วเพอเป็นสิบหรือยังได้สิบหรือยังวันนี้เอตอนนี้เปลี่ยนจะนั่งจับเวลาเป็นอันนี้คือจับเวลาไปเรื่อยๆแล้วครับตอนนี้ที่ทําได้มากที่สุดก็คือ17นาที10วิครับ อ่เอ่าไม่สนใจเวลานะดูกาลังของเราเนะะรับตอนที่เมื่อวาแล้วก็เอกมาเอาเอก็กดหยุดจับแล้วก็ดูลก็ได้เป็นสิบเ็ดนีเก้าครับแล้วต่ำกว่านั้นมีไหมเมื่อวานนี้มีต่ากว่านั้นไหมเมื่อวานได้แ ค, ค่สิบสี่สบสิรบทำไมมันทานกันเรื่อยเลยนะ คิดว่ามันคิดว่ามันคิดว่าสิบ ก, ก่อนาทีแล้วใช่ไหมที่ตอนที่นั่งบต่มาดูอะไรกายทีมันแค่ห้านาทีเลยมันหนอกแล้วนะรับดอกลงเหยเลยต้องพยายามให้มากสุดโอเคพยายามยังไง่ะต้องต้อหาวิธีที่นะเอ่อไม่ให้มันปวดขาครับอย่าไปคิดถึงเวลาให้คิดถึงพุโทโธพุโทโธไปต ให้เดิมทุงอย่างไม่อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปเข้าใจไหมครับโอเคมีอะไรจะถามอีกไหมไม่มีครับกลับเรียนพระอาจารย์ค่ะคือว่าเขาเขาคือเขาพยายามมากะคะ่ะพระอาจารย์เหมือนกับเขาพยายามที่จะช่วงพยายามอวันและเขาเขาพยายามจะนั่งให้นิ่งอะคะ่ะพระอาจารย์เพราะว่าพยายามจะไม่ขยับทีนี้ช่วงที่เขาพยายามนั่งให้นิ่งเนี่ยมันคง เกรงอะค่ะแล้วมันทําให้เขาอึดอัดนะคะพระอาจารย์ก็เลยแบบนั่งนั่งเราเขาอึดอัดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่าเอองั้นวันต่อไปอะ่ะให้นั่งแบบสบายๆแบบว่าไม่ต้องไปเกรงอะไรแบบเนี้ยก็อยู่กับพุทธโธไปะคะ่ะ<ม>เขาคือเขาพยายามจะหาวิธีพัฒนาตัวเองในการนั่งสมาธิอะคะ<ม>่ะพระอาจารย์นี่วันหนึ่งเขาก็เลยบอกว่างั้นเขาก็ คือปกติเขาจะตั้งเวลาไว้แบบ9นาที8นาทีใช่ไหมคะทีนี้รอบนี้เขาก็เลยบอกว่างั้นเขาไม่ตั้งเวลาแล้วเขาก็จะนั่งไปเรื่อยๆเหมือนเหมือนที่แบบคุณแม่ทำอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ที่พอเขาพอเขาลองนั่งไปเรื่อยๆปรากฏเขาก็นั่งไปได้สิบอนาทีแต่ว่าคุณแม่ก็ช่วยดูเขาจะพยายามทุกครั้งที่เขานั่งเขาจะเรียกให้คุณแม่เนี่ยมานั่งดูเขานั่งว่าเขาอนั่งนิ่งไหมถ้าไม่นิ่งอะ่ะก็ให้เหมือนให้คอยบอกเขาอะไรแบบนี้ค่ะเราช่วงแรกๆเขาก็จะยังมียุกยิกย๊กยุกยีกย้กันค่ะแต่ว่าเหมือนแบบไปถึงจุดๆหนึ่งเขาก็นิ่งทีคุณแม่ก็เลยหนูก็เลยช่วยเขาจับเวลาว่าช่วงดูที่เขานิ่งอนะค่ะพระอาจารย์เขาจะนิ่งได้อยู่ประมาณสัก นิ่งแบบคือนิ่งจริงๆอะค่ะพรอาจารย์ประมาณสักสองนาทีอะค่ะแล้วก็เริ่มแบบจะขยับอะค่ะแล้วก็ซึ่งหนูก็เข้าใจอะค่ะว่ามันก็มีมีมีมีนิ่งไม่นิ่งบ้างคา่ะแล้วอีกวันหนึ่งพอเมื่อวานนี้ที่เขามาลองนั่งเขาก็นั่งอยู่ได้ประมาณสักห้านาทีแล้วเขาก็จะแบบจะขยับตัวค่อนข้างเยอะอะค่ะพรอาจารย์นั่นก็เหมือนกับมันก็เป็นอาจจะเป็นก็เป็นแบบเนี้ยค่ะมีขึ้นมีลงอะไรแบบเนี้ค่ะพรอาจารย์แต่เขาพยายามมากอะค่ะเขาก็พยายามอก็ต้องดูนะ ถ้านั่งไปแล้วมันลดลงเลยลดน้ไยๆก็าจจะต้องใช้เวลาเป็นตัวกํคำนวณเค่ะค่ะดีไหมนั่งไปแล้ว เ, เดี๋ยวก็สามนาทีนั่งไม่ไหวค่ะค่ะเดี๋ยวอาจจะลองปรับเปลี่ยนหาวิธีไปเรื่อยก็ก็กอดัดแอปไปเรื่อยอะค่ะพรอาจารย์เดี๋ยวาจะทีนี้เมื่อวานนี้เขาลดลงกันเลยว่าเออเ น, น้นเดี๋ยวอาจจะจะลองให้เขาดูอีกซัก สักวันหนึ่งว่าเขายังนั่งไปได้เรื่อยๆไหมถ้าเกิดว่าเวลามันยังน้อยลงอยู่อีกอะคะ่ะก็เดี๋ยวจะกลับมาใช้วิธีอ่าตั้งเวลาเอาไว้ที่แปดนาทีหเก้านาทีเองไม่ต้องไปเถือเรื่องเวลาเป็นหลักตั้งไว้แล้ว ก, ก็ตั้งสติเป็นหลักจะดีกว่าชถ้ามีสติแล้วมันจะนั่งได้นานออืถ้าไม่อยู่กับพูโทโธก็เราให้อยู่กับบทสวดบ่นไปสวดอรหันตสัมสมาไปก็ได้ <c oughs> อย่านั่งเฉยๆอย่าไปนั่งคิดถึงเวลา <c oughs> เวลามันจะถึงเวลาไม่ถึงเวลาก็ช่างมันแต่เราต้องต้องนั่งไปเรื่อยๆต้องมีสติถ้าเรามีสติเราก็จะนั่งได้นานนันตัวหลักตัวที่สัมพันธญก็คือตัวสติถ้าเรามีสติอยู่กับพุทโธถ้าเบื่อพุทโธก็ต้องอยู่กับการสวดมนต์ไป เราไม่ต้องกังวลเรื่องนาฬิกานาฬิกาก็ตั้งไว้เฉยๆตั้งให้มันปลูกได้ไหยตั้งให้มันดังได้ไหมได้ค่ะตั้งไว้ ถ, ถ้ามันยังไม่ปลูกก็อย่าเพิ่งเลิกนั่งต่อไปอย่างมันหลอกแล้วนะโอ้ยถึงเวลาแล้ววันนึงว่าเอาที่ไหนได้ได้แค่ห้านาที ก่อนหน้า น, นี้เขาก็เซตเวลาค่ะพเจ้าเขาก็เซตแบบนี้เขาก็ก็นั่งได้ถึงนะคะแต่ว่าก็ระหว่างทางก็จะยุกยิกยุกยิ ก, ย ก, ยกไปแต่ว่าเขาก็ก็นั่งจนจนจบนะคะพเจ้ยายุกยิกยุกยิกดีกวไม่นั่งเลยใช่ค่ะใชเ่เขาเขาาพยายามค่ะเขาพยายา ม, มตั้งใจแบบเหมือนแบบแต่ว่าเหมือนแบบอย่างที่ว่าเขาก็เขาก็ยังไม่สามารถที่จะอยู่กับเหมือนกับเจออะไรความ ปวดนิดนึงเขาก็ต้องเริ่มขยับแล้วอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งหนูก็จะคอยบอกเขาเสมอว่าให้พยายามอยู่กับพุทโธหรือไม่ก็ให้ลองให้พยายามสวดมนต์ดูอะค่ะเขาก็เขาก็คงพยายามหาทานอยู่โอเคก็ไม่เป็นไรค่ะปฏิบัติไปเรื<ะ>่อยๆค่ะแต่ว่าถือว่าพัฒนาขึ้นจากตอนแรกเยอะเลยค่ะพระอาจารย์ในเรื่องของของอารมณ์ของพฤติกรรมนี่คือแบบยังคุยกับคุณพ่อเขาเลยว่าเนี่ย มันตั้งแต่เขาเอาเข้าเข้าซูมทุกวันพุธแล้วก็นั่งสมาธิเนี่ยเขาเปลี่ยนไปแบบเปลี่ยนไปเยอะมากๆากค่ะอาจารย์การควบคุมอารมณ์คือทําได้ดีแบบจนคุณแม่ต้องแบบเหมือนกับหนูชมกับคุณพ่อแม่ก่อนนี่เขาไม่รู้จักวิธีควบคุมอารมณ์เลยปล่อยไปตามอารมณ์แต่เรีนู้แล้วว่าเราสามารถกับกลุมอารมณ์ได้ครับอะไรน่าฝึกไปก็ดีจะดีขึ้นไปเรื่อยๆถ้าฝึกไปเรื่อยๆอย่าเลิกตลอดกันค่ะ ขาพาได้มากบางน้อยบ้างดีกว่าไม่ได้เลยถ้าทําไปเรื่อยๆก็จะได้ไปเรื่อยๆก็เนี่ยเมื่อกี้ก็เขาก็เริ่มพยายามท่องตามพี่ๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะเรื่องอาการ32เขาก็พยายามต่อไปน้อนั่งท่องอาการ32บ่อยก็ได้เวลานั่งสมาธิถ้าเมือพุทโงก็ต้องอ่าเดี <laughs> ๋วก็ได้หัดหัดท่องบ่อยๆแต่ไปเวลานั่งสมาธิกแทนที่จะใช้พุทโธก็ใช้อาการ32ก็ได้คะรับ ดีหไหมพอรอบหึงมันย้ายน้อยนาทีนะก่นนอนจะอาจจะจบหนึ่งรอบนี้อาจจะทำแค่สองสามรอบก็จบก็ <c oughs> ได้เลแล้แต่เขายังเขายังท่องกลับไม่ได้แต่ว่าท่องท่องท่องไปท่องไปได้ก็ช่วยช่วยช่วยขาไปได้เพราะว่าก็กับคุณแม่ก็แบบว่ากระหนุ่มก็พยายามแบบก่อนน้องเอ๊ะเดี๋ยวลอง ตกลงอันนี้มันเป็นอะไรต่อเนะี่ยคือก็พยายามช่วยกันท่องอะไรเงี้ยค่ะดีเขาก็เขาก็ตามไปได้จนจนจบแล้วค่ะเกือบเกือบจบแล้วอาจจะแบบมีนิดนึงแล้วช่วยกันนิดนึงแต่ว่าอาจจะเดี๋ยวอาจจะให้ลองเขาลองใช้วิธีนี้ดูค่ะพระอาจารย์วิธีฝึกตสติโองพระเจ้าาให้ท่องท่องไปแล้วท่องกลับขา <c oughs> กลับนี้ต้องมีสติมากมากว่าับไปเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะต้องเขียนมันขึ้นมาค่ะพระอาจารย์แล้วฝึกท่องไปได้เรื่อยค่ะดี ความพยายามมีหลายครั้งสำเร็จดีนะนะขอบคุณพระอาจารย์มากนะจ๊ะช่วยค่ะเอยสันโดษลูกศิษย์คนแรกทิ้งไม่ยังอาการอนท่องไม่ยังยังวิ่งทิงครับอาจารย์แต่ไม่ได้ท่องใช่ไหมให้ท่องให้ฟังไหมครับอาจารย์ไม่ไม่ต้องมาท่องให้ฟังตอนนี้หรอกท่องทุกวันเปล่า พยายามท่องทุกวันอยู่ครับเพราะว่าจะอยู่ในบทสวดธรรมวเช้าก็อาจารย์อืมครับนใจนะตามไปตามอาจายโอเคครับปัญ ญ, ญาไงบ้างปัญ ญ, ญา อ, อยู่ทุกวันเลยคะ่ะ <c oughs> ปั ญ, ญญาก็ท้องแก่เจ็บตายก็พอเนี่ยแล้วต้องมีคำแค่คำเจ็บคำตายเป็นธรรมดาหนะ้ท่องแค่นี้ก็พอค่ะ ก็ออยามรับเี้นะ อ, อ่ตอนนี้แกแล้วรับไม่รับก็ต้องก็ต้องเป็นแล้วนะ <laughs> เป็นเท่าแกได้ลเลยด <laughs> ีก็อยู่แต่บ้านนะคะถากราบกราบพระสวดมนต์ก็ทำทุกวันนะคะอ่าดีจยวจ้ากราบพระจพิจารณาน่แน่น ร่างกายไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเรานะเป็นของดินน้ำลมไฟเดี๋ยวก็กลับเขินสู่ดินน้ำลมไฟไปเชื่อไหมเชื่อว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เรา ไ, ม, ไม่ใช่ของเราไหมค่ะพระเจ้าบอกมันไม่ใช่ไปของเรามันเป็นของดินน้ำลมไฟออยอมรับค่ะ อย่าไปห่วงอย่าไปห่วงอย่าไปยึดอย่าไปติดมันจะเป็นอะไรก็ปล่อยมันให้มันเป็นไปถ้าเราดูแลไม่ได้ก็ปล่อยมันไปโอเคมีอะไรไหมก็อ่ายังพยายามปฏิบัติต่อเนื่องครับอาจารย์แล้วก็ไม่พยายามทันมื้อสองมื้อครับไม่ยามไม่ทันมื้อที่สามแล้วก็ไม่ทานนอกเวลาอืมเน <c oughs> เองดูสือ้วนอยู่นะน่ากลมเลยครับอาจารย์ก็เดี๋ยวทำต่อเนื่องครับอาจารย์ทำไปเรื่อยๆครับอาจารย์โอเคอ่อยู่คอยมีความสุขนะไม่ทุกข์กับอะไรอ่ไปที่อาจารย์พรมพิรายคุณอนุกูล ตอบนรสการพระอาจารย์ค่ะตอบนรสการพระอาจารย์ครับเออเป็นยังไงสบายดีสบายดีครัพระอาจารย์ครอือสองสองเดือนนี้ไม่ต้องไปหาหมอเออนี่แสดงว่าเป็นครั้งแรกที่ไม่ต้องไปหาสองเดือนครัโอเคหรือว่าเรียบร้อยดีครับทุกอย่างเข้าเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเกือบแล้วครับตอนนี้ก้มลงไป ทำอะไรได้ลุกขึ้นมาได้หน้าน้าไม่มืดเหมือนเดิมเน่ต้มได้เนืงยได้โอเคครับนี่ไปแบบนี้เป็นานานๆน ะ, อะโอเคอาจารย์อะไรไหมคะกำลังจะเรียนพระอาจารย์ว่านังสือเข้าสู่แดนนิพพานอท่านพระอาจารย์ มาบัวหของตาบัวนะคะไปเปิดดูแล้วพระจันทร์ตั้งแต่ปี2000กว่าจนถึง2525เป็นเวลาที่พระจันร์อยู่ที่พระปราบบัิบานทั้งหมดเลยทั้ง30นัเราอยู่ตั้งแต่2518ค่ะถึง2525 26 26ก็ออกมาค่ะในหนังสือเล่มนี้จนถึงบทสุดท้ายนี่ก็คือกันยายน2525 เมื่ออ่านอ่านตามไปในนั้นก็ให้รลึกถึงพระอาจารย์ตลอดว่าคำเทศของหลวงตาก็อยู่ในสมัยพี่พระอาจารย์ได้อยู่ที่วัดป่าวันตาทั้งหมดทั้งเล่มเลยคะ่ะพอดีเลยค่ะพอดีเลยคะ่ะเพตอนนี้ก็ศึกษาอ่านไปได้สองรอกว่าหน้านะคะโดยละเอียดต้องอ่านหลายรอบนะคะจะเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นค่ะใช่ค่ะวิธีการปฏิบัติต่างๆ ใช่ถึงแม้จะสอนพระย่านยอมก็มาใช้ได้ค่ะก็ทําให้เรารู้เหมือนกันว่าเราก็ตัว ก, ก็รู้ลึกตามไปมด้วยนะไหนไม่รู้ก็ไปศึกษาเพิ่มเติมค่ะก็ดีดีมากเลยค่ะไม่ได้ว่าจะสามารถที่จะหนังสือเล่มใหญ่ๆเล่มนั้นห้าร้อยก็ได้ือ่อจะสามารถอ่านเราก็ติดอกติดใจได้อี่แะท่านสอนพระเนหน้าที่ของพระคือการปฏิบัติ ค่ะแล้วก็ลึกละเอียดปฏิบัติให้เรียนให้จบก่อนมารลุ ก, ก่อนแล้วค่อยไปทําอย่างาอื่นค่ะตัวใหญ่มันไม่ได้ทำอย่างนั้นบวชมาปั๊บเลไปทํานุ่นทํานี่กันแนละ้วทำกิจกรรมกันแนละ้วไม่เข้าห้องห้องเรียนกันไม่เอาปริญญาเลยไม่จบได้แต่ได้แต่กิจกรรมก็อันนี้ตอบในในเรื่องนี้ตอบข้อสงสัยได้เยอะนฮะเราก็จะคิดไปใน ในเชิงที่ที่ดีนะคะมีคุณประโยชน์ว่าสำหรับเราคารวะก็สามารถนำเอาไปใช้ได้นะใจเงินใจของคารวะใจของพระทั้งหมกันบรยกรรขอบพระคุณพระอาจารย์มากมากที่แบบจะไม่หยิบมาเลาหนังสือเล่มนี้เลยได้ได้หยิบมาขอบคุณพวกที่พิมพ์หนังสือได้แก่ขอบคุณมากมากนะคะ ก็ใครยังไม่ได้ใครที่ศึกษาปฏิบัติจริงๆก็เล่ม น, นี้อ่านอ่านได้เรื่อยอ่านได้ทุกบทนําไปใช้ได้ทุกเลื่องถ้าใครสนใจก็ลองถามคุณหลาดดูว่าน่าเผยคุณหลานดจะรู้ว่ามีเหนือไม่เหนือยังเห็นเมื่อวันอาทิตย์ยังมีนะคะยังเห็นมียัดโยงไปไปหยิบวันที่เพื่อจันเทพอโอเคตู้ ขอบคุณพระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงนะคะอ่าชาตุดาอ่อาคุณหมอภาสนะเข้ามาห้าปีแล้วเหรอเนี่ยเข้ามาเรียนต้ห้าปีแล้วนะไม่ค่ะหกปีนะคะพระอาจารย์หปีแล้วเป <6 S 1> น็นนกษาก็ได้ปโทแล้วเนี่ยก็ทําไปเรื่อยๆพระอาจารย์กันพลาดไม่ได้พระอาจารย์ทำแล้วมีพระอาจารย์ยังอยู่ทำไปเรื่อยๆพระอาจารย์แต่ว่าที่แน่ๆคือ ใจมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันสงบขึ้นแล้วก็ร่มเย็นแล้วก็ดีมากเลยพระอาจารย์ทําทำแบบที่พระอาจารย์บอกค่ะก็พยายามทำค่ะแล้วก็ทแบบําไปแล้วแล้วก็ตอนนั้นตอนช่วงต้นๆ น, นี่ก็จะอ่านอย่างที่พระอาจารย์บอกสติปัฏฐานของหลวงตามหาบุรีจฟังอ่านเยอะฟังเยอะมากเลยค่ะตอนนี้เหมือนกับแบบมันเข้าใจแล้วพอกลับไปฟังอีกรอบมันก็จะแบบมันจะเหมือนเข้าใจมากขึ้นเลยอย่างนี้ยพระอาจารย์แล้วก็เอามาใช้ปฏิบัติได้ รู้สึกดีมากค่ะก็ยังตั้งใจในการทําเพราะว่าจะพยายามสังเกตใจโดยเองตลอดคะพระอาจารย์ก็รู้สึกว่านั่งสมาธิที่พระอาจารย์ถามเมื่อเมื่อกลางวันที่ที่ที่ไปที่ศาลาก็รู้สึกว่ามันมันก็สงบอ่ะพระอาจารย์นั่งหรือไม่แล้วก็นั่งได้เรื่อยเืยด้วยถ้าเกิดจะนั่งก็นั่งเรื่อยเแต่ว่ามันสงบตลอดอ่ะพระอาจารย์คือมันรู้สึกดี่ค่ะอืมก็เดี๋ยววันอาทิตย์นี้นะคะพระอาจารย์ก็ไปวัดต่อไปหาลูกก่อนแล้วก็เลยไปวัดไปห้าวันหกวันไปวัดท่าอวันหาลูกวันหนึ่ง กระทุกน้ำไม่ได้เข้านะคะ อ, อาจารย์เดี ja, ๋ยจะกลับมารายงานกะว่าจะไปสังเกตเขาที่แล้วก็สังเกตตัวเองค่อนข้างรู้สึกว่าดีมากเลยอาจารย์สงบไม่ไม่อารมณ์อารมณ์ไม่ไม่ไม่ไม่มีอารมณ์ไม่ได้แกวงอะไรรู้สึกดีไปหมดเลยะอาจารย์ค่ะก็ดีมาทุกทางนะทาไม่คือรู้สึกเลยว่าเออเนาะคือไม่ ทุกข์กับสุขก็เหมือนกันไม่มันคือแบบเออมันก็เข้าใจแล้วว่ามันเหมือนไม่ไม่แล้วก็ไม่ทุกข์ใจอะไรเลยคนะ่ะอาจารย์รู้สึกดีอยู่ตรงไหนก็ได้มาที่เรียนหาอาจารย์ครั้ น, นี้ก็จะเสืเ้อเบสสามตัวเหมือนเดิมแล้วก็นอนพื้นอยู่แล้วเพราะว่าอยู่ที่บ้านก็นอนพื้นก็ข้าวก็กินมื้อเดียวเลยเออเตรียมให้พี่หนุ่มเพราะว่าพี่หนุ่มเขายังกินสองมืออ่ะยะเตรียมให้พี่หนุ่มก่อนนิดนึงพวกน้ำปนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคกับดีค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากเลยค่ะอ่าสาธุท่าคุณตาย ยังไงคนตายวันนี้ทาอะไรทางานน้องกล่าวนมาสการ์ค่ะพระอาจารย์อล้วานอ๋อนไม่ีคู่ร่วมงานปกตก็นั่งฟังอยู่ครับพระอาจารย์อ๋อแต่ไม่ได้ปรากฏตัวนะกล่าวรอาจารย์ดีังนั่งฟังเดี๋ยวข้าๆฟังไว้ดีตักไม่ได้ฟังรู้ตับ เขาเขาพูดน uh ้อยเขาเขาพูดน okay. okay. ้อยเขาเขารู้มากแล้วเขเลยพูดน้อยเขาพูดมากเาแสดงรู้น้อยใช่ค่ะมีแต่โยมก็นะล้วที่ไปไม่ค่อยถึงไหนแต่ก็พยายามคานกระดุกกระดิบไปค่ะพรอาจารย์ค่ะก็ยังทําพยายามทําอยู่เรื่อยๆนะครัพระอาจารย์แบบว่าโยมเวลายมนั่ง่ะพระอาจารย์ เวลากําลังแ่งนั่งไปมันไม่ใช่เกลือ น, น้ําลายนะคะพ่อจาย์มันเหมือนมีก้อนลมอะแล้วมันก็ไหลกึ๊บเข้าไปอยู่ในคอเออตอนนั้นเรารู้สึกเบาแล้วก็โล่งหน่อยรู้สึกว่ามันจะไม่อึดอัดแล้วอันนี้คือเราไม่ได้เกลือ น, น้ําลายนะคะพ่อจารย์ใช่ไหมคะ ก็แล้วแต่เราไม่รู้วคุณคุณเป็นคนทำไมเราบอกเองเลยมันเหมือนก้อนลมอะค่ะพระอาจารย์ยอมว่ามันไม่ใช่น้ำลายแต่มันพอมันบึ้บเข้าไปบึ้บเข้าไปหมุนเข้าไปในคอแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออตัวมันโล่งแล้วก็มันนั่งต่อไปได้ได้ยาวขึ้นนะคะมันไม่อึดอัดนะคะอ๋ออาจจะเป็นจิตมันสงบบ้างมันถึงมีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นก็ได้แล้วค่ะแต่ ก็เหมือ น, นวนลงไปตกมันตกต ก, ตกขั้นบันใดตมันมันก็เหมือนว่าไปได้ต่อแต่ก็จะไม่ยามทําอะ่ะอยากจะให้มันดีขึ้นเรื่อยๆก็ ก, ก็ทําอยู่ค่ะพระอาจารย์ก็ไม่ต้องไปสนใจมั น, นให้อยู่กับลมแล้วอยู่กับพุทโธที่เรากำลังทําอยู่ไปค่ะก็ก็ทําอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆแต่แตได้มากบ้างน้อยบ้างค่ะดูลมแล้วเนใช้พุทโธเหร ใชพุโทโธค่ะพระอาจารย์ก็อยู่พุโทโธไปอัไรจะ ก, ก็ไม่ต้องไปสนใจนะคะบางทีถ้ามันแบบไม่ได้จับนาฬิกาหรือว่าไม่ได้อะไรยอมก็จะใช้พุโทโธหนึ่งพุโทโธสองถ้ามันหลุดว่าเอ้ยข้างหน้านี่คือเรานับไปเท่าไหร่แล้วอันนั้นคือสติหลุดยมก็รู้แล้วโอ้หลุดไปแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะพยายามนับตัวเลขไปด้วยได้หรือเปล่าครัพระอาจารย์ได้ได้ ได้ใช่ไหมคะเพระาะว่าโย่ว่าบางทีพูดโธพูดโธสติไม่แข็งหรือว่าเราเพ่ง mm hmm. เหมือนกับเหมือนกับมันลืมหรือว่ามันอะไรไงโย่ว mm hmm. ก็ต้องนั่งนั่งนับมันไปด้วยว่าได้กี่พูดโทแล้ว mm hmm. แล้วก็ต่อเนื่องหรือเปล่าถ้ามันขาดปุ๊บโย่วว่าโอ้ต้องเริ่มใหม่อันนี้ mm hmm. คือรู้ตัวเองให้ให้รู้ว่าเราเราหลุดหรือไม่หลุด mm hmm. แต่ก็พยายามทําค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้จ้ะ ไว้ได้ทำแล้วกันค่ะไว้ได้ทาไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะเจ้ค่ะพ่ะอาจารย์ก็ไม่มีอะไรละคะหลายงานแค่นี้ค่ะพ่ะอาจารย์โอเคสาธุสาธุครับขอบคุณจิบกลับไปถึงแมรี่แลนด์แล้วเหรอจาวรมวัชการครับพะอาจารย์มาถึงแล้วค่ะเดี๋ยวยมขอขอบขอบกระดึบกระดเข้ามาในห้องหน่อยแป๊บหนึ่งนะขออย่าให้ห้องก่อน อย ท, ที่ทำงา น, งานค่ะพระอาจารย์วันนี้พอดีมีประชุมคนเลยเข้ามาเยอะค่ะโยมก็เลยไม่อยากนั่งคุยด้านหนา้าพระอาจารย์สบายดีไหมคะ่าสบายดีจ้ะค่ะเดี๋ยววันวันพรุ่งนี้วั น, ว, นวันไหนคะวันศุกร์อะค่ะโยมฝาก ที่คนที่เข้าขายข้าวกุกกียค่ะยมกับเพื่อนร่วมกันใส่บาตรพระจารย์ด้วยนะคะฝากที่เขาไว้ค่ะพี่แมวจะไม่ชื่อแมวใช่ใช่พี่แมวค่ะก็จะเป็นฝากไว้สามกับข้าวสามอย่างข้าวหนึ่งอย่างนะคะออขอใส่บัตรฐานาน <laughs> ทางไกลก็ได้เหมือนกันเหมือนกับมาใส่เอง อย่างนี้เราได้บุญไหมคะพระอาจารย์ไม่ได้หวังบุญนะคะแต่แบบแค่อยากสถาปน์เป็นความได้ใช่ไหมคะเราส่งใจไปฝากคนอื่นใส่แบบคือก็ก็เหมือนกับเราก็ทําเองใช่ไหมคะเป็นของเราทั้งหมดนะเ่ินที่เราบริจาคเหมือนที่เราบรจากซื้อข้าวไปก็เหมือนกับตอนที่เราไปซื้อเองเหมือนกันได้ค่ะสาธุค่ะเพียงแต่ว่าไม่ได้ไปโมไม่ได้ไปยนไม่ได้บุญคือต้องไปยกยกถอยเองนั่นเอง อ๋อค่ะแต่บุ ญ, บญจากการที่เราทําทาน ท, ทำบุ ญ, บญก็จะบริจาคเงินนั่นได้เท่ากันอ๋อสาธุค่ะพระอาจารย์ยมกลับมาและยมแบบคิดถึงเมืองไทยแล้วก็ระลึกถึงพระอาจารย์มากเลยค่ะนั่งดูรูปกับแบบโอ้ยอยากกลับไปเลยก็คิดว่า<ม>คิดว่าอยู่ต่างจังหวัดก็แล้วกันเดี๋ยวนี้ประเทศมันมันไม่สําคัญขนาดเพราะว่ามันมนั่นเครื่องแป๊บเดียวก็ถึงแล้วเนี่ย สมัยก่อนเดินทางจากเดินทางจากกรุงเทพเขาต้องนั่งภายเรือกันไปอะกว่าจะถึงมครึ่งวันเต็มวันก็ได้นี่เรานั่งเครื่องแป๊เดียวหกชั่วโมงก็ถึงแล้วสมมุติผู้อาวุโสสมมติใช่สองยี่สนบหกชั่วโมเลยก็ถือว่าทำให้ไกล่แล้วอนี่ยไปอยู่ต่างจังหวัใช่ค่ะก็ต้องขอบคุณเทคโนโลยีแต่ว่าบางทีก็แบบอยากไปกราบพระอาจาย์อยากไปอยากอยู่เวลาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่บ่อยๆ แต่ก็แปลนะคะพระอาจารย์เวลาเราอยู่เมืองไทยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่มันก็เหมือนกับนอนนอนงอทงแงกันกับแม่ใช่ไหมคะเหมือนที่พระอาจารย์สอนน้องน้อยเมื่อกี้อะค่ะบอกรักแม่ให้มากนะ<ม>อะไรเงี้ยยังก็มาได้หมตอนเราอยู่ใกล้กับแม่พอตอนเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะ<ม>เราก็จะแบบเอ้อเดินี้นี่แต่พอเราห่างกับอเมริกาปุ๊บแล้วก็ทําไมเราไม่ใช้เวลากับแม่มากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบ เหมือนของมีค่าอยู่ใกล้ตัวแต่ไม่เห็นอะไรเลยวันอยู่ใกล้ก็มือนวันอยู่ใกล้ก็คิดถึงใช่ค่ะมันเป็นไม่รู้ว่าเป็นมนุษย์โลกหรือมันเป็นเฉพาะตัวยงมันก็เวลาอยู่ใกล้มันก็เห็นอะไรเยอะๆมันก็บางทีมันก็เบื่อเห็นจักเห็นซ้ำซากจําเจมันก็เบื่อมันก็ไม่ถึงไหนถ้าอยู่ใกลนี่นะจะเห็นทักทีหนึ่งก็เลยคิดถึงอาจจะใช่ค่ะแต่บางทีเราเห็นคุณแม่แบบ ถ้านายู่เยอะแล้วบางทีมีอารมณ์แบบเห็นคุณแม่มีอารมณ์ตามกิเลสอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะโยมก็จะแบบว่าพยายามสอนพยายามแบบไม่ถึงกับสอนนะคะแต่แบบว่าอยากให้แม่สบายใจก็พูดแบบกับแม่บ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแม่ก็เลยพูดบอกว่ากล้ <c oughs> พูดมาคํานึงอมโยมอึม้องเลยก็ไปนิพพานคนเดียวเลยไปโยมก็โอเคโอเคไม่พูดล ะ, ละอ ย, อย่าไปสอนผู้ใหญ่ถ้าเขาไม่ถามเราอย่าไปอย่าไปพูดค มันก็อดไม่ได้ค่ะด้วยความรักความหวังดีเราก็อยากให้แม่แบบไ ม, ม่ยืดติดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะบางทีเราก็แบบเอออดไม่ได้เนี่ยเขาเรี ย, วร ย, รยกว่าวังดีผสมร้ายเข้าใจไหมไม่ผสมร้ายนะพอาจาผสมดีแต่ว่าถ้าถ้ า, ถ, าถ้าไม่ผสมร้ายเขาไม่พูดอย่างนี้กับเราเหรอกนั่นน่ะสิคะ่ะยงก็เลยสแสดงว่าคืออย่าไปหวังดีแบบนี้เลยหวังดีนี่ไม่ดีใช่ค่ะยต้องใ้ก็ บางทีเราต้องให้เขาแฮปปี้นี่อ่าน่น่ะสิคาแต่เราก็จะแต่เราก็ไม่ดูว่าเราควรจะทํำยังไงถ้าเห็นว่าเขาเป็นแบบนี้แล้วมันจะเป็นแบบไม่กินทุกเรียนไหมไม่กินขนมไหมอย่างนี้ดีกว่าอ่าคุณให้เขาแฮปปี้ดีกว่าอะไรที่เขามีความสุขใครเขาชอบเขามีความสุขใครเข้าไปอที่เขาไม่มีเขาก็มีความสุขของตามภาษาเขาอยู่แล้วเราอย่าไปเปลี่ยนเขาเลย เราไม่สามารถทําให้คนที่เรารักคิดคิดในเรื่องของสิทธิ์เขาเรียกว่าอะไรคะมีดวงตาเห็นธรรมหรือเข้าถึงทำมาได้ถ้าเขาต่อเห้เขาเป็นเราเปลี่ยนเขาไม่ได้เราไปเปลี่ยนส้มให้เป็นกล้วยได้ไหมล่ะก็ไม่ได้อะค่ะใช่พระอาจารย์พูดโยงมาตักจำคำนี้แล้วโยองก็พยายามนั่งคิดเเอออแต่ด้วยความที่เป็นลูกเป็นแม่ไงคะก็เลยแบบมันผิดก็อยากให้เขาแบบพ้น คลเขาไม่สบายใจยังแล้วผลเป็นยังไงเขายิ่งไม่สบายใจขึ้นมาใหญ่เขาใช่ค่ะเขาก็นึกว่าเราไม่รักเราเข้าข้างคนอื่นอะไรอย่างเนี้ค่ะเอาไปพูดทำไมอย่างงั้นเพูยพูดทําไมน่านักเลค่ะอ่อถึงบอกหวังดีประสงค์อะไรไว้เลยพระอาจารย์อาจารย์ถูกต้องอาจจะใช่จริงๆค่ะถ้ายอมมองแบบตามพระอาจารย์พูดมันก็ใช่จริงๆน่ะ ดูผลการกระทำของเราว่าทํำให้เขาแฮปปี้หรือทำให้เขาไม่แฮปปี้ดีกว่าค่ะอย่างนี้เราบาปไหมคะพระอาจารย์ก็บาปเลยไปทําให้เขาไม่แฮปปี้เขาก็เราก็บาปอ้าวเหรอคะเราไปสอนแม่แล้วทําให้เขาอารมณ์เสียนี่เราบาปไหมคะบาปใช่ตองทำบุญเยอะๆไม่ใช่สามมาว่าจารยเหรอคะแต่ถ้าเราคิดว่าเราพูดดีแบบสมมตินะคะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับแม่นะคะเหมือนเราส่งความดีคําพูดดีออกไปให้คนอื่น แล้วเขาใช้ประสบการณ์ความคิดของเขาประมวลออกมาแล้วคิดว่าเราพูดไม่ดีอันนี้เราก็ผิดเหรอคะเราไม่ต้องไปดูว่าเขาคิดยังไงเราดูว่าเขาแฮปปี้หรือไม่แฮปปี้จากการาอ๋อดูผลมันมากกว่าใช่ไหมคะใช่เนาถ้าเขาไม่แฮปปี้ก็อย่าไปพูดต่อไปมันก็ยังกระตักนิ่งๆไว้อ่าค่ะเหมือนพระอาจารย์เอาค่ะนี้ก็ยอมหยุดเย็นก็ใช้กับครอบครัวไปด้วยอ่าทุกอย่างกับทุกคนเหมือนกันหมด ค่ะทุกคนต้องการความสุขไม่มีใครอยากได้ความทุกข์จราเคยพูดเลทครับเ่าเขาทุกข์ใจเขาก็รำคาญใช่มาทุกคนบ่างจะอ้างหวังดีเลยหวังดีแต่คนที่รับความหวังดีตรงนี้กับต้องต้องเสียใจต้องทุกข์ใจกับความหวังดีของเราไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยอแล้วก็อยากจะพูดตามความอยากของเราเท่านั้นแหละแล้วก็อ้างหวังดีนมันดีจริงไม่ดีจริงก็ดูที่ผลนะใครแฮปปี้จริงก็เปล่า ถ้าวังดีมันทำให้เขาแฮปปี้เลยใช่ไหมค่ะอ๋อค่บพอบคุณค่ะอาจารย์ยมไม่เคยคิดถึงข้อนี้เลยยมแค่คิดว่าเราหวังดีในฐานะรูปแต่ว่าพอมามองมุมนะคใช่ค่ะขอบคุณพระอาจารย์นะคะถึงผลที่เกิดขึ้นความวังดีขวงเราทำให้เขายิ้มหรือทำให้เขาโกรธนี้ยันดีกว่าใช่ค่ะใช่ค่ะ โอเคต่อไปนี้โยนจะปรับปรุงใหม่ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้โทรหาแม่ใหม่พูดแต่ถามว่ากินอะไรยังดูหนังหรือเปล่าใต่มันทำอะไรให้แม่ไหมแม่ต้องการอะไรจากทางนี้ไหมนี่ดีกว่าค่ะยังแก้ตัว<น>ทันใช่ไหมพราาจย์ก็ไม่สายหรอกไม่สายเกินแค่ถ้ายังมีลมหายใจยอยู่ อ่าเราไม่แน่ใจว่าสลินทรเข้ามาหรือเปล่าเขาเพงเมืองไทยเมื่อวานออกเข้าแล้วใช่ไหมคะเขานียั่งเงียบนั่งเงียบไม่รู้เจ็ดแหลกหรือเปล่าเขาเพิ่งถึงว่าตอนนี้มันเช้าของเมืองไทยเขาเพิ่งถึงเมื่อคืนนะค่ะอ๋อค่ะค่ะค่ะพระอาจารย์กลับขอบพระคุณมากค่ะยมจะคำนำคาเตือนของอาจารย์ไปใช้กปรับปรุงตัวค่ะพระอาจารย์จ่าสาธุนะคะขอพระอาจารย์ทัดการแข็งแรงเจ้าข้า อต่อไปคุณสาสตการเป็นไงหวังดีประสงค์หรืึเปล่าไม่อะค่ะลูกลูกค่อนข้างตามใจแต่ว่าที่บอกพระจารย์นั่นแหละที่ว่าซื้อลอตเตอรี่อ่ะอเออเอแฟนกับพี่สาวก็บอกเอออา ป, ปาเขาซื้อลอตเตอรี่บอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ลูกก็แบบคือลูกสนิท ก, กับอ้อคือเขาคุยกันทุกอันลูกก็เลยถามว่าอา ป, ปา ป, ปา เอาาซื้อรอตเตอรี่ถูงเป่าหน้าเขาว่จาจะแบบสียุ้งผูอ่ะมันขาวลูกรู้สึกผิดมากใจลูกก็คิดขึ้นมาปิ๊งขึ้นมาว่าเออแบบเราอ่ะซื้ออย่างอื่นน่ะเยอะแยะแบบแค่ซื้อรอตเตอรี่แค่เขาอ่ะม่เนี่ยลูกก็เลยตั้งแต่นั้นลูกไม่พูดเลยซื้อเขา<ป>บอใบสองใบซื้อไปได้เป็นของขวัญไไม่ใช่เป็นเรื่องอะ เพราะว่าเขาแก่แล้วไงเหมือนเหมือนเขาอยู่บ้านก็จะได้แบบเลือดลมสุดฉีดบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรทําบ้างอะไรเนี้ยอืมลูกก็ประมาณพาไปกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะทํ า, าไมเขามีความสุขลูกลูกประมาณนี้เพราะว่าเพราะว่าลูกชั่งชั่งอยู่เป็นคนที่ลูกสี่คนจริงแต่ลูกเนี่ยจะอยู่บ้านตลอดก็เลยแบบ ดูเข า, าทาบ่อยๆอย่าทำเฉพาะวันพ่อวันแม่นั้นทำบ่อยอเอาทำตลอดกับป้าจ๋าเพราะเป็นคนอยู่อยู่ใกล้ชิดมาเขาจะคุยแล้วก็เราก็จะเหตุพัฒนาการเขาความแก่ความอะไรอย่างเงี้ย ม, มันก็จ ะ, จะเออต่อไปเราก็ต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าแบบจะค่อนข้างอยู่กับคนแก่ตลอดอย่างครับลูกก็เลยจะแบบ เข้าใจว่าเออเดี๋ยวต่อไปเราก็ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนแล้วพอเวลาพระอาจารย์สอนอย่างเงี้ยค่ะ<ย>ก็จะเปลี่ยนเทวทูตเทวทูตคอยเติมใช่ใช่แล้วก็พอพระอาจารย์สอนอย่างเงี้ยพอเวลาเราทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าคนที่แบบเออแต่ก่อนเนี่ยคนที่แบบเออเออเขา่าไม่ชอบเราเราก็เอาขอบให้เราอารมณ์เย็นขึ้นเดี๋ยวนี้เขาก็ดีอะค่ะอาจารย์ ออแล้วก็ซื้อของเลี้ยงก็อยากอินไห้อะไรอย่างเงี้ยการกระ้ำของเราไม่ผลกระทบต่อตัวเขาเขาจะชอบเราหรไม่ชอบเราก็อยู่ที่การกระทําการพูดของเราเองนะยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่คิดคือที่อาจารย์สอนนะคะให้พิจารณาบำปายลูกก็บอกแฟนนั่นแหละว่าแบบเราก็มีบํานาญเราก็ไม่ได้มีลูกก็แบบพ่อเราก็เหลือแค่คนเดียวอคะ่ะคนแก่ก็คือพ่อของลูก เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องอะไรมากก็เลยแบ่งกันได้ไ ก, ดก็ช่วยเหลือกันค่ะทำบนททำทานนะใช่เพราะว่าอาทิตย์ก่อนก็อาทิตย์ก่อนนี้ก็เอาไปทำช่วยเรื่องโรงเรียนนะคะที่หลังคาเขา่ามันสึกโรงอาหาร น, นะคะก็เลยบริจาคไปแสนนีมากค่ ะ, ค ะ, คะก็พิจารณาอย่างนี้ไปปล่อยนะคะันจันร์ มีโอกาสได้ทำบุญทำทานถือว่าเป็นเป็นโชคดีของเร า, าเพราะว่าเร า, เราได้มีบุญติดตัวไปเงินทองเราติดตัวไปไม่ได้ได้ลูกก็บอกแฟนแฟนเขาก็โอเคขึ้นเขาก็ใส่บาทว่าเวลาเราไปไปแบบไปโรงแรมไปพักโรงแรมเราก็จะมีวางฟังให้พวก แม่แม่ใช่ใช่แม่บ้านแล้วก็เกียนขอบคุณเข้าไว้แล้วก็ให้เขาติปให้เขาหรือว่าใครพวกแท็กซี่หาหมอเนี่ยค่ะก็จะติปให้เขาเกิดกว่าที่เขาอันนั้นเนี่ยเป็นการทําบุญทำทานแบบก็ก็ใจเขาใจเราเราก็เราก็ทํางานแล้วก็ไกรลำบากมาก็เหมือนกันนะคะอาจารย์ดีจ้าค่ะค่ะสาธุดาค่ะ ไปที่คนณนิสาต่อนิสากับในมัสการค่ะพระอาจารย์ค่ะของลูกก็ไม่มีอะไรค่ะไม่มีคำถามค่ะพระอาจารย์ลูกก็ตอนนี้อยู่ a อ r b บ b อบค่ะพระอาจารย์เดือนหน้าก็กลับแล้วค่ะอืมอยู่อีกสองสามอาทิตย์ค่ะพระอาจารย์นี่จัดการทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะไม่เือ ก็เกือบเรียบร้อยอ่ะค่ะอาจารย์ก็ถอนลอกถอคนเลยใช่ถอนลาถอนคนก็ไม่ถึงขนาดนะนะคะอาจาัยก็อาจจะยังมีแบบยังอาจจะต้องเปิดยังไม่รู้เดี๋ยวต้องมีดูกสินบ้างเล็น่อยค่ะอาจจัยเผื่อจำเป็นจะต้องกลับไปใช่ค่ะอาจารย์ก็อาจจะต้องเปิดบัญชีไว้อะไรอย่างนี้แล้วก็อาจจะต้องดูเกี่ยวกับพวกพวกแบบ เงินสะสมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์จ อ, อเดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งว่าจะทํายังไงให้แบบได้เป็นเงินสดอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่ก็ตอนนี้ก็ไม่เหลือรับสินก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะพระอาจารย์ส่งไปหมดเรียบร้อยอตอนค่ะพระอาจารย์ก็เหลือกระเป๋าหนึ่งใบเหมือนตอนอที่มาค่ะพระอาจารย์ค่ะพระ อ, อ า, าจารย์เราเม่ลืกถึงตอนที่เราจะตายเข้าไปแบบเนี้ย ไปตัวเบาๆมาตัวเบาๆค่ะจริงค่ะพระอาจารย์ลูกก็นึกถึงตอนลูกมาครั้งแรกลูกก็หิวกระเป๋าใบเดียวตอนนี้ก็ไปแบบนั้นเหมือนกันอืมแต่แอบมีฉิบของไฟค่ะอาจารย์แต่น้อยค่ะพระอาจารย์แค่พาเลเดียวอืก็เป็นพวกเสื้อผ้าอะไรรองเท้าอะไรนิดหน่อยค่ะาจามีให้น้อยที่สุดพระเจ้าบอกมางน้อยสันโดษเป็นวิถีชีวิต ท, ที่ดีที่สุดมีมากก็าาทุกมากวุ่นวายมาก มี S <S น้อยบสบาย <ic> พออยู่พอกินเท่านั้นพอแล้วนมากไปมันก็ไม่ได้ทาให้ความสุขเพิ่มมากขึ้นแต่กลับทำให้ความวุ่นวายมากขึ้นทาให้จบทางวันมากขึ้นภาระมากขึ้นค่ะอาจาพระอาจารย์คะแล้วอย่าง พระอรหันต์เนี่ยท่านท่านจะไม่มีความทุกข์เลยใช่ไหมคะอาจารย์อ๋อมันถ้าทา ง, งใจไม่มีทุกข์เลยแต่ทางร่างกายก็เหมือนคนธรรมดาทั่วไปเดี๋ยวเจ็บไข้ปวดทัวปวดท้องอะไรเนี่มีอยู่เหมือนคนธรรมดาขันเหมือนกันขันห้าเหมือนกันขันห้าไม่ได้เป็นพระอ่ะใจเป็นพระอ่ะมันห้าก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยี่เป็นเหมือนคนธรรมดาทั่วไป ยังปวดหัวตัวร้อนยังติดไข้หวัดได้ติดโควิดได้เหมือนกันทุกคน <ทะ S 1> ใจไม่ทุกข์กับมันเวลาเกิดอาการต่างๆของ่างกายใจไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกายออืท่านจะใช้หลักของอริยสัจสี่ใช่ไหมครับพร ะ, ะอะาจารย์ต้องหาให้ได้ว่ามันเกิดจากความทุกข์นี้เกิดจากอะไรใช่ไหมครับท่านรู้หมดแล้วความทุกข์เกิดจากความอยากอยากใ ห, ให้ร่างกายไม่เจ็บไม่แก่ไม่ตาย อพอยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายแล้วมันก็ไม่ทุกข์กั่า้ำใจต่อไปคือบางครั้งมันตอนมันทุกข์แล้วมันมันจะลืมมาค่ะอาจารย์เพาเรายังไม่ได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่มันก็เลยลืมปัญญาเรายังไม่ต่อเนื่องปัญญายังเป็นสัญญาช่ะจําได้บางทีก็ลืมถ้าเป็นปัญญามันจะไม่ลืมมันจะรู้องต่อเวลาค่ะ พอใจทุกข์กัอะไรมันจะรู้เช่หมอ๋อเพราะอยากอยากได้นู่นอยากได้นี่ใช่ไหมอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างงี้ใช่ไหมมันไม่รู้ขึ้นมาทันทีเมันมันมันไม่ทันทีค่ะพอาจารย์มันแบบไปไปนานเลยครับแบบยังไม่เป็นยังไม่เป็นปัญญาใช่ปัญญามันจะมันจะทันทีเลยคือก็คือต้องต้องปฏิบัติให้มากขึ้นใช่ไหมถ้าเป็นปัญญาไม่อยากเลยดีกว่าบ่อยเลยดีกว่าไม่อยากเลย ไม่ทุกเลยทุกไม่มีทุกไม่เกิดเลยในใจของว่าลหันเพราะเหตุของความทุกข์คือความอยากนี้ท่านตัดไปหมดเลยค่ะอาจารย์ก็คือเอาเป็นว่าบางครั้งคือบอกสติหลุดอะค่ะอาจารย์เราทำให้ให้ปัญญาก็หายตามไปด้วยค่ะสติมีปัญญาก็เข้ามาทันทีกิเลสก็เข้ามาตัวกูของกูก็เข้ามาทันทีค่ใช่ไหม พอใจหายเป็นของกูแล้วเป็นตัวกูขึ้นมาว่ากูเนี่ยว่าะอย่างโน้นอย่างนี้ขึ้นมา<ช>อืมค่ะแต่ก็<น>ก็ยังรู้สึกว่าแบบเออได้เข้ามาได้สัมผัสได้เข้ามาที่ห้องได้เดีนดูกับาอาจารย์ก็มีความรู้สึกว่าก็ยังอย่างน้อยก็ยังแบบรู้ว่าผ่าน อ, อาจจะไม่ได้รู้ในทันทีแต่ว่าก็ยังสามารถที่จะแบบกลับไปคิดได้ออนี่เราเราเกิดอิเลชเนาะเรามีความอยากอะไรย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ใช่ ค่อยเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะพัฒนาเรื่อยๆต่มันมันก็จะไวขึ้นไวขึ้นค่ะโอเคก็ไม่ก็ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์ก็ปฏิบัติต่อไปากลับมาเมงไทยจะกลับมาอยู่ที่ไหนอยู่ที่กรุงเทพเหรอค่ะก็อยู่บ้านบ้านคุณแม่บ้านที่สาวก่อนที่นนท์ค่ะพอาจารย์แล้วค่อยว่ากันอีกทีว่าจะไปอยู่ที่ขึ้นเหนือหรือลงใต้นี่ก็อาจจย คืออาจจะแบบเขาไม่เขาใหญ่ก็ภูเก็ตค่ะพระอาจารย์ยังไม่รู้ว่าตรงไหนดีมีสองที่ค่ะจะภูเขาดีแล้วจะเต า, า, าทะเลดี <c oughs> ก็แน่ต้องต้องเลือกสักที่ค่ะพาาระอาจารย์แต่ว่าที่เลยจะได้ทุกมากขึ้นไม่ค่ะต้องเลือกที่เดียวเท่านั้นค่ะพาาระอาจารย์เอาปรสาทเอาปสาสามรนดูแบบพระเจ้าเลย <c oughs> ไม่ไม่เอาค่ะพระอาจารย์แต่แต่ก่อน แต่ก่อนก็มีความคิดว่าจะต้องแบบไปแบบปลูกผักจะต้องไปทําสวนจะแบบมีจ่ายเลี้ยงไก่จะต้องแบบปลูกผักออแกนิกจะ อ, อะไรอย่างเงี้ยค่ะปลูกข้าวไปเรื่อยเลยตอนนี้ไม่เอาแล้วค่ะรู้สึกแบบมันเป็นภาระใช่ไหมคะอาจารย์ใช่อยู่เฉยๆดีที่สุดอยู่เฉยๆธรรมดาภาวนานดีกว่ามีเวล า, นานว่างนั่งสมาธิดีกว่าค่ะอาจารย์ เดี๋ยวนี้เรารู้ว่าเมื่อก่อนเราไม่รู้ราจะคิดแบบนั้นตอนนี้เราควจะคิดว่าจะหาที่ไหนที่มันสงบที่มันเงียบเราจะได้ปฏิบัติได้ทั้งวันทั้งคืนยันดีกว่าจริงค่ะพระอาจารย์ก็จะเลือกแบบจะไม่จะไม่สร้างอะไรให้มันเยอะนะคะพระอาจารย์คือขอแค่แบบเป็นบ้านธรรมดาธรรมดาเท่านั้นนะคะพระอาจารย์มไม่ไม่คิดจะทําสวนไม่คิดจะปลูกไก่เลี้ยงแบบแต่ก่อนคิดคแบบอยากปลูกสวนอยากเลี้ยงไก่อยากจะแบบกินไข่ ออแกนิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะแบบตอนนี้ซื้อดีกว่าใ่่ไหีง่ายกว่าค่ะวุ่นวายจะได้เวลาที่มีค่ามาให้กับการปฏิบัติธรรมจะไค่ะจารย์จะยึดหลักนี้ไปครับโอเคสาธุขอให้พระสัทชันแข็งแรงนะคะอ่าอ่าอคูเซียวเมชครูจำชื่อไม่ได้ไม่ได้เข้ามานานเนึง่ง เียนี้คำจำแั่คดีจำหน้าได้แต่จำชื่อไม่ไได้ม่ยินไหมคะกาอาจารย์คุณนิ้งค่ะอาจารย์ออไม่ได้เข้าคะชื่อจำชื่อไม่ได้แต่ยังจำหน้าได้ค่ะาุณนิ้งค่ะพอาจารย์ไม่ได้เข้ามาเห็นย มาทุกทุกอาทิตเลยมาที่กุทกอาิตยเด็กหาด้วยเด็กสองครก็พัฒนาการดีขึ้นนะดีขึ้นมากค่ะพระอาจารย์คือจริงๆแล้วว่าอ๋อีเดย์อ่ะเขามีเขามีพิเศษหน่อยหนึ่งค่ะพระอาจารย์ในเรื่องของสมาธิอะค่ะเพราะว่าพ่อกแม่เขาเลี้ยงด้วยโทรศัพท์ตอนนั้นแล้วก็เลยทำให้เขามี อ่าเพราะไอ้สภาวะที่สมาธิสั้นกับพระอาจารย์อืแล้วก็มีออนนิดหน่อยพูดชา้ทาทั้งๆที่เด็กเนี่ยก็คือเขาก็ปกติทุกอย่างใช่ไหมนะคะอืมเดี๋ยวนี้เขาก็มีปัญหากันแล้วพ่อแม่หนูก็มานั่งมองเอ๊ะเอาอยัางไงดีอะไรอย่างเงี้ยเขาพาไปหาหมอ ก, ก็ยังไม่ได้แบบว่าอะไรดีขึ้นมากเราก็เลยแบบพาหลานไปไปวัดด้วยดีกว่านะคะพระอาจารย์ เพราะว่าเราสังเกตจากที่เราอยู่เราไปหาผ้าจาร์แล้วก็มาฝึก่าปฏิบตัติแล้วก็ไปเรื่อยๆมันทําให้จิตใจเราเหมือนกับว่าเราเย็นลงเราอะไรดีขึ้นมากแล้วว่าตรงนี้คงจะช่วยได้บ่านไม่เคยบอกผ้าจารย์เราก็พาเข้าไปตลอดเพราะาตอนแรกเนี่ยโอ้โหเอาแทบไม่อยู่เลยต้องอเอาไปดูตรงด้านข้างพี่แก้วตรงรีบวิ่งแบกไ ป, ไปเออไปอยู่ข้างๆแต่ว่า อ่ะหนูก็บอกไม่โธ่หรอกก็ต้องพาเข้าไปทุกอาทิตย์ค่ะพระอาจารย์อแล้วทีนี้เอ่อก็พาไปพัฒนาในเรื่องของอารออกําลังกายอะไรอย่างยากเขาแล้วก็ค่อยๆพูดณตอนนี้พอเข้าไปบ่อยเขารู้หมดค่ะพระอาจารย์แล้วก็นิ่งอาจจะมีนอนบ้าง <laughs> เพราะว่าเขาเคยนอนอยู่ที่โรงเรียนถึงเวลานอนเขาก็นอนแต่พอเขารู้ขึ้นมาเขาก็เชยเขาก็นิ่ง แล้วเขาจะรู้หน้าที่ว่าเขาต้องไปทําอะไรยังไงทุกอย่างค่ะ mm hmm. เขาก็ถามมีขนมปังปลาไหมมีอันนี้ไปหาูุจ้าไหม mm hmm. เขาจะเรียกพาา่อจาระธุจ้าค่ะอืมเอมีนะ้ํามีไปเอาใบามาเขียนมาอะไรเรียบร้อยตอนแรกก็เขียนไม่ได้เขาก็ลอกพี่สาวเขาเขากเอามาเขาก็มานั่งลอกแล้วก็สังเกตดูในสิ่งที่เขาพัฒนาขึ้นโพอพ่อจาร์ออกมาเขาบอกว่าทธุจ้าออกมาแล้วเขาก็ไหว้สาธุสาธุสาธุเขาก็าาาาากนั่ง คือจริงๆแล้วพัฒนาการดีขึ้นดีขึ้นมากเลยาาค่ะพระอาชย์กับเสียงแว่น้องที่สอนเข้าไปในตัวคนรอบข้างเขาก็ทาทุกคนก็นิ่งเฉยสงบค่ะค่ะพู้อารย์ปกติเนี่ยเขาจะไม่ไม่ไม่ไม่นิ่งไม่อะไรผมก็คิดว่าเขาจะไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่นับถึงวิานฮิตอ่ะตอนนี้เนี่ยคือทั้งพ่อทั้งแม่เขาก็คือดีดีใจ ปู่ทวดแยท่ทวดก็คือดีใจเขาเขาดีขึ้นขึ้นมากและที่โรงเรียนะ น, นะจะโกรธนะเขาจะตีเด็กคนอื่นณตอนนี้เนี่ยเขาไมา่ค่ะอาจารย์แล้วเขาก็ได้เป็นหัวหน้าแล้วเขาจะรีบไปโรงเรียนเขาจะมีความสุขมากเลยค่ะค่ะแล้วพูกดีขึ้นเใช่ไหมคะเขาไปเอาเขาก็จะแบกไปหาเขาก็จะรู้เลยรีบวิ่งเลยเขาจะไปก่อนเพื่อนเขาบอกว่าจะไปหาทุจา่าเขาไปบอกว่าหนูต้องค่อยๆจะทำนะลูกอะไรอย่างเงี้ยพอออกมา เขาก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวเอาไปให้เดี๋ยวกราบด้วยเ้าพูดอย่างนี้นะคะพระอาจารย์ mm hmm. ดีดีขึ้นดีขึ้นมากค่ะในในส่วนนี้พี่แก้วเขาก็ยังบอกว่า เ, เขาดีขึ้นเพราะว่าคนที่เคยเป็นแบบนี้เขาอันเลิศมากแต่พา mm hmm. มาบ่อยๆเขาจะต้อง เ, ออเปลี่ยนแปลงไปมันก็เปลี่ยนแปลงไปจริงๆค่ะพระอาจารย์นถึงตอนนี้ mm hmm. วันเสานี้เขาก็ต้องมาไปเหมือนเดิม mm hmm. ค่ะพระอาจารย์ ถ, ถ้าไม่มีคำจําเป็นก็พามาเรื่อยๆก็แล้วกันค่ะหนูก็คือตั้งใจแล้วว่าต้องพาไปเรื่อยๆเพราะว่าพอถึงวันเสาร์ปุ๊บเขาก็จะรู้หน้าที่ค่าละว่าจะไปก<ม>ี่โมงไปเที่ยงเช่นไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเตรียมของเขาเรียบร้อยค่ะอาจารย์แต่งตัว<ม>เรียมตัวไปละ ว, วางโทรศัพท์แล้วก็คือต้องทําหน้าที่ของตัวเองแล้วค่ะพระอาจารย์ที่ไม่ได้เข้ามานะคะก็ฟังข้างนอกพอดีเพื่อนมาจากออสเตรเลียก็เลยพาเขาเที่ยว Mm hmm. แต่พอไปเที่ยวพระอาจารย์หนูรู้สึกเลยว่ามันเหมือนเราไปไปแสดงละครนะคะพระอาจารย์ mm hmm. หนูหนูชอบทาไมมันเหมือนมีความสุขทาไมมันไม่มีความสุขเลยข้างในมัน mm hmm. ไม่ใช่ ท, ทั้งที่ไปไปแบบลักชัวรี่ไปแบบสวยงาม mm hmm. ไปแบบอะไรแล้วก็มันผิวเผิน mm hmm. เนี่ยคาสุขแบบผิวเผิค่ะเขาบอกว่า มันไม่เหมือนความสุขที่ได้จากการปฏิบัติธรรมหรือทาบุญนี่มันมันเข้าไปในใจเราเลยค่ะพระอาจารย์เขาก็ถามว่า happy, happy นิ่งแฮ ppy ไหมแฮ ppy หลบไปยาวเออพาเพื่อนสนุกนู่นนี่นั่นนู่นเอ๊ะทําไมข้างในเรามันมันไม่ได้มีแบบนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์เหมือนมันย้อนแย้งกันแล้วเราก็แบบอาปีตัวบ้าบางทีเนี่ยก็คือไปนั่งอยู่คนเดียวเขาก็บอกว่าไม่มีความสุขให้สนุกหรอเราก็สนุกสนุก เพราะว่า mm hmm. หนูเป็นคนขับรถไงครับอาจารย์ไอ้นู่นมานี่โอโห่กับกับเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งพอดีครับอาจารย์ mm hmm. แต่หนูก็ยังบว่าอ๋อคิดถึงวัดยังเลยพอ้เขาหยุดเธอมาเพียบวัทยาเลยฉันพักหน่อยนึงนะแล้วก็อยู่โรงแรมเลยแล้วหนูก็ไปที่วัดบ้างอะคะ่ะแต่เข้า mm hmm. เข้าไม่ได้บางทีก็ต้องไปกับเพื่อนนะคะอาจารย์เออแต่ทําให้เรารู้เลยว่าอ๋อมันไม่ใช่ในสิ่งที่เราที่เราต้องการ หรือเขาก็บอกว่าพาไปที่ตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยไปหานะเอ๊ะหนูกมานั่งมองมันมันไม่ใช่สิ่งต้องการพระอาจารย์ใช่ ني, พอเราได้<อ>สัมผัสกันลแล้วแทงทำแล้วมันยังไงมันเจิดชื่นไปหมดค่ะจริงๆค่ะพระอาจรามันไม่ได้การเลยเรถทั้งปวงค่ะพอเราอยู่กับเตาตัวคนเดียวหรือทํางานบ้านเจริญสติสิ่งที่พระอาจารย์สอนนะ ได้จริงๆตอนแรกมันก็มีเพ่งบ้างหนูก็อ๋อที่ผ้าจานบอกว่าเป็นแบบนี้ไม่ต้องอยากนั่นเราอยากเหรอเราถึงไม่ได้สงบสักที อ, อ้าถ้ายังไงเราก็อยู่กับเออไอสิ่งที่เราตั้งจิตตั้งใจแล้วก็คือท่องพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธหรือว่าพุโทโธธรรมโมสังโฆ ค, คือยาวขึ้นยาวขึ้นนะคะหนูก็บอกอ๋อไม่ต้องอยากใจเป็นไปแต่ให้เราอยู่กับตรงนี้มันก็เลยทำให้เราสงบ อ๋อในสีอาจารย์บอกตะโกนโอ้ยนี่กับเป็นอะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันมันผิดนะคะอ๋อไมีสติให้ช ม, มีสติรูเฉยเยอย่าเบียดให้มันได้เป็นอย่างนั้นเลยค่ะพระอาจารย์อันนี้ใช่เลยโอ้พระใจเราอยากนั่นเองมันถึงไม่เป็นแบบนี้มันถึงไม่สงบสักทีอยากให้มันสงบเหมือนคกับย่อยากให้สงบยิ่งยิ่ ง, ย, งยิ่งไม่สงบใช่ โอไม่สงบครับฟุ้งซ่านเลยกับพระอาจารย์ไปไหนก็ไม่รู้จะพอไปก็อ๋ออยู่กับบริกรรมของเขานี่แหละอข้างหนึ่งสติกกับอันที่บริกรรมครับพระอาจารย์ใช่ไหมคะตรงก็คือบริกรรมก็ได้ดูลมก็ได้แล้วแต่เราจะถนัดถนัดแบบนา้นใช้แบบนั้นไปค่ะเหมือนที่เอาหลานไปเราก็คาดหวังตอนนั้นน่ะเอ๊ะทำไมอ๋อใช่จุเอวก็เขา เขาก็ปิ๊นแบบนี้โอ้เพราะความอยากของเราอยากให้เด็กมันอยู่เฉยๆอยากแค่เด็กมันอยู่นิ่งๆกลายเป็นว่าตัวนิ่งเลยค่ะพระอาจารย์ดูบอกอ๋อเพราะความอยากของเรานี่เองอ่ะเดี๋ยวใจสงบของเขาก็เลเรื่องของเขาแล้วเราก็อยู่ของเราตรงนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์เราไม่ไม่สนใจแล้วมันจะยุกยุกิ๊กยิ๊กดันข้างหรืออะไรอย่างมันก็เลยทำให้เราใจสงบไปของเขานะคะพระอาจารย์ใช่โอ้แม้จะกา ทุกสิ่งทุกอย่างก็คืออยู่ที่ใจของเรานั่นเองครับอาจารย์อันนี้อันนี้คือสิสติด้าใช่สมบพสติใจร้ายเพราะความหยาค่ะค่ะพระอาจารย์แล้วก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆนะครพระอาจารย์ก็จะไปวัดไปเรื่อยๆนะคะพระอาจารย์สค่ะพระอาจารย์มาหลังไปด้วยค่ะก็ไม่มีอะไรครับอาจารย์ก็ <Okay. S 1> อ่จะปฏิบัติไปค่ะโอเคค่ะ ของที่แต่งหน้า แ, แ, แ, แ, แข็งแรงค่ะอาจารย์ใช่สารเติมอ่าฟนเซลินต์กับทั้งบ้านเราอย่งงงงอางโง่เขลาแบบเช่นรกกนั้นหนูยังนอนไม่เป็นเวลาอยู่เลยค่ะอาจารย์กลับมาเมื่อคืนนี้ค่ะอาจารย์อก็มาสการพระอาจารย์ก่อนนะคะทนี้ก็ไม่มีเวลานอนก็นอนไม่หลับแต่เวลาเติมก็อยากจะนอน หนูว่าตอนกลับเมืองไทยยากกว่าอีกนะคะนอนตื่นทุกสองชั่วโมงเลยอะคะ่ะยิ่งตอนอยู่บนเขานี่นอนกลางวันตื่นกลางคืน hmm. อย่างเง้ยปฏิบัติกลางคืนพักกลางคืนต hmm. ืนใหายงวักวันนอนอย่างเดียวเลยค่ะก็มันร้อนนะคะอาจารย์แต่กลับมานี่ก็ยังหนูก็ยังงงงอยู่ค่ะยังเบอร์เบอร์อยู่ค่ะเดี๋ยวก็ลงตัวเองยัง ง, งงงงอยู่ค่ะอาจารย์แต่ก็ แต่หนูกลับไปคราวนี้หนูเสียดายที่ว่าหนูป่วยอะคะ่ะหลังจากที่ไปกลับลาพระเจ้า น, นะคะเรากลับมาก็ป่วยตั้งแต่วันอาทิตย์นั้นนี่เกินหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ยังไม่หายอะคะ่ะอก็เป็นหวัดนั่นแหละคะ่ะพระอาจจะเป็นเพราะอากาศร้อนแล้วไปถูกฝนอืมน<อ>่าพ<อ>ั่อไม่พอเลยมั้งง่าๆทำให้ใช่คะ่ะเพราะหนูกลางคืนหนูก็ทํางานกลางวันหนูก็ออกไปข้างนอกก็เลยการนอนวันหนึ่งนอนแค่ม่กี่ชั่วโมงอะคะ่ะหนูก็เสียดายเพราะว่าอาทิตย์สุดท้ายเนี่ย หนูควรจะพาลูกไปเข้าวัดสาวันแต่ปรากฏว่าเราป่วยซะก่อนเลยกดผ่ <Can cel S 1> าก็อุตส่าห์ซื้อชุดขาวครบหมดแล้วนะคะแล้วลูกก็เหมือนกับว่าเขาสัญญากับเราไว้ก่อนหน้านี้ว่าเขาจะไปกับเราแล้วหนูก็แอบดีใจปรากฏว่าพอเราไม่ได้ไปปุ๊บเขาเอาชุดขาวโยนทิ้งเลยราะันเขาาดีใจที่เอาไว้น้องไปวัด S <S> ก็บอกว่าไม่ได้เดี๋ยวคราวหน้าแต่หนูก็เอามานะคะคราวหน้าถ้ามีโอกาสต้องไปอีกนะสัญญาไว้เขาบอกได้ได้เนี่ยคะ่ะสด้เราเลยอดพลาดอุตส่าห์สัญญากันแล้วว่าจะได้ไปอ่ะคะ่ะแต่ไปคราวนี้หนูก็รู้สึกว่าเมืองไทยวุ่นวายค่ะะอาจารย์ตอนไปแรกๆเราไม่ได้อยากอะไรเลยรู้สึกนิ่งไปหมดทุกอย่างจนคนในครอบครัวบอกว่า เหมือนเราไม่อยากกินไม่อยากอะไรคือถามว่าอยากไปทานอะไรอะไรไม่ได้รู้สึกว่าต้องรีเควสอะไรที่เป็นพิเศษอย่าเงี้ยค่ะอแล้วมันกลายเป็นว่าพอเราสังเกตเราก็ไปจับคําคนอื่นที่เขาพูดกันนะคะว่าเขาอยากจะให้เราไปทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอยากจะไปไหนไหมเราอยากจะไปซื้ออะไรไหมเราอยากจะทานอะไรไหมมันกลายเป็นว่าเราได้ยินแต่คําว่าอยากอะคะ่ะอื่พอได้ยินคำว่า มันคิอว่าความอยากเป็นความสุขของเราไงใช่ค่ะพระอาจารย์แล้วเหมือนกับพอแล้วเราก็พอเรารู้สึกว่าพอเราดิ้นคําว่าอยากปุ๊บเหมือนเราเห็นกิเลสทันทีอะค่ะพระอาจารย์อืแล้วเราก็จะฝืนไม่เอาอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะฝืนไม่ใจลึกๆมันจะต่อตาเนาไม่เอาแต่จริงๆแล้วมันก็ต้องทํานะคะเพราะว่ามันก็ต้องมีซื้อของซื้ออะไรกลับมามันก็ต้องมีบ้างอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็มีแอบได้ยินคําเนี้ยเหมือนกับจับจับแต่คําพูดคําเนี้ยเพราะมันคือจุดเริ่มต้นของกิเลสอย่างเงี้ยค่ะ ก็ก็แต่ก็ยังปฏิบัติค่ะพระอาจารย์แต่ก็ตอนกลับมาก็แอบคิดถึงเมืองไทยนิดหน่อยอะค่ะว่ารู้สึกก็เหมือนอย่างที่จิ๊บว่าอย่างมีหลายอย่างที่ยังไม่ได้ทํายังยังรู้สึกว่ายังปฏิบัติได้ไม่พออย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้ก็ไปมาง่ายแล้วอยากมาเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ลูกก็โตแล้วหนูก็รอเขาเขา้าแล้วหนูเข้ามาหาหลัยแล้วหนูก็อาจจะไปช่วงไหนก็ได้ที่ไม่จําเป็นต้องเป็นช่วงช่วงสําเมอร์ใค่ะเพราะว่าเขาก็ ดูแลตัวเองได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ mm hmm. ค่ะค่ะวันนี้หนูก็ <Yeah. S 2> ไม่มีจริงมันอยู่ที่ใจเรานะที่ไหนก็เหมือนกันนะทําใ จ, จรเรารทำความได้ที่เมืองไทยที่ไหนก็เหมือนกันจริงค่ะพระอาจารย์เพราะว่าตอนที่หลังจากที่พอรู้ตัวว่าตัวเองจะไม่ได้ไปปฏิบัติทํรสามวันหนูรู้สึกว่าเอ้นจริงแล้วมันก็อยู่ที่บ้านเราปฏิบัติที่บ้านอาจจะสงบกว่าการที่จะต้องแบบเสียเวลาเดินทางหรือว่า mm hmm. ต้องไปนั่งฟังแล้ว พอไปดูคอสเขาจริงๆแล้ววิธีการปฏิบัติเขาจริงๆเขาอาจจะเข้มข้นนะคะแต่ว่าเเวลาปฏิบัติที่เป็ น, ท, ปนที่เป็นต้องเดินจงกรมนั่งสมาธิหมู่เนี่ยมันมีแค่สามสี่ชั่วโมงเองอะ่ะพอหนูดูแล้วหนูรู้สึกว่าสําหรับเราเรารู้สึกว่าเราน่าจะปฏิบัติได้เข้มข้นกว่านี้แต่อันนี้เราไปกับลูกนนเราก็อันนี้สําหรับคนเริ่มตน้นเขออาจะได้รูขั้นตอนตอน่างๆใช่ค่ะอาจารย์ก็อาจจะดีตรงที่ว่าอาจจะปฏิบัติไปด้วยแล้วก็ได้ฟังเทศ คำสั่งสอนแล้วเกิดปัญญาในขณะปฏิบัติก็เป็นไปได้แต่มันจะมีเวลาพักช่วงเวลาพักกว้างกว้างหลายชั่วโมงอยู่อะคะ่ะซึ่งถ้าคนที่ไม่ปฏิบัติเาก็ไปพักผ่อนได้หรือว่าหรือว่าเขามีสหกรณ์อะไรเงี้ยให้ไปซื้อน้ำซื้ออะไรเงี้ยยังยังได้เลยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็จะรู้สึกว่าเอมันจริงๆแล้เราควรจะหยุดเลยอย่างเงี้ยค่ะทำไว้สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นยาง ยังคติกำลังยังไม่มากพอที่จาะาห้ามจิตใจได้ค่ะพระอาจารย์ต้องมีอะไรให้เขาได้ได้เสพ บ, บ้างรูปเสียงก่งมากใช่ค่ะแต่นี้ตอนนี้บ้านของหนูอะคะ่ะหนูก็มีห้องว่างอยู่สองห้องหนูก็ทำห้องหนึ่งเป็นห้องปฏิบัติธรรมของหนูเองเลยอะคะ่ะ ม, มีเตียงอันหนึ่งโอพระอาจารย์ค่ะหนูขอถามเรื่องฟูกะคะ่ะที่นอนของสินแปดะคะ่ะหนูสังเกตว่า บางสถานที่ฟู้แค่นิดเดียวสามนิ้วอ ย, อย่างบนเขาก็แค่สามนิ้วแต่บางที่ที่หนูไปขอปฏิบัติของที่เนี่นะคะของเขาต้องเกือบหกนิ้วอะคะ่ะแล้วหนูก็เลยอยากจะทราบว่าก็แล้วแต่ความความอะไรอินเทนเซตี้ของการปฏิบัติเราต้องการให้มันยา ง, ง่ายขนาดไหนอยู่พระอาจารย์ผู้นีหนูก็หกนิ้วนั่นถ้ายากก็แบบปูเสืออปูผ้าอย่างเดียวก็พอ ทำ เ, เป็นแข่งเลยท <c oughs> มีสํานักไปหา่งให้คนไปปฏิบัตินี่เขามีแัดเด้งที่ทําด้วยปูนเนี่ยแล้ไม่มีอะไรเลยใช่หนูอาจจะยังไม่ได้หนูอาจจะเป็นถุงนอนปูไปก่อนนะคะพรอาจารย์ <c oughs> อันนี้ <c oughs> ก็แล้วแต่ออความสม<ต> บ, บัตใจแต่ว่าพระอาจารย์คือไม่ได้ผิดกดว่าถ้ามันหนานหน่อยอะไรเงี้ยไหมก็ค <c oughs> ือถ้ า, ามองตาม principle เอามาว่าต้องการที่จะรบความเความสุขจากการหลับนอน ถ้ามันส่งมันจะถ้ามันส่งมากมันก็จะนอนมากค่ะ <า S 1> <อ>ถ้ามันส่งมากมันก็จะนอนน้อยแต่ขึ้นหลักการได้ปฏิบัติได้ดีอาจารย์จะได้เอาเวลาเราปฏิบัติมากมากขึ้นเงยแทนที่จะ เ, เวลาไปนอนเราก็จะได้เวลาเราปฏิบัติแทนค่ะพระอาจารย์ค่ะอันนี้จะได้ทราบว่ากฎเกณฑ์มันเป็นยังไงคะ่ะทั้งนั้นหนูก็จะได้รู้อฎเกณฑ์มันก็เปลี่ยนไปตามคนที่ตั้งกฎหนูสังเกตว่าเอ๊ะมันก็ ทุกที่ก็บอกว่าสีนแปดแต่ทำไมมันหนาบางไม่เท่ากันใช่หนูก็้าหนาไว้ก่อนได้ไหมสมาที่เราไปยู่ว่าป่ามาตายก็ไม่มีในยปูด้วยเสือเป็น<ม>พื้นพื้นก็เป็นพื้นไม้กุฏิยกยกยกพื้นขึ้นมาเขาปูด้วยเสือแล้วก็นอนค่ะค่ะ ก็ข้าจ้าเอาไว้เอาไว้ให้หนูแข็งแข่งกว่านี้นิดหนึ่งทุ่นดงบางทีถ้าไม่ทุ่นดงท่านก็ไม่มีสื่อติดไปไม่มีพูกติดไปท่าก็นอนกับเพื่อนมัเพื่นดินด้วยซ้ไปบางทีขอาพเจค่ะ้าพเจ้าข้าหนูก็สนํานำไปปฏิบัตินะคะพเจ้าเข้าใจหลักการง่ายๆกัถ้ามันสบายมากมันก็จะ มันก็จะนอนมากถ้ามันสบาย น, อน้อยมันก็จะนอนน้อยแล้วงั้นหนูก็อาจจะมีฟูกนิดนึงแล้วก็ข้างๆหนูก็อาจจะมีถุงนอนวางไว้กับพื้นถ้าวันไหนที่หนูถุงนอนหนูก็เพราะทุกอย่างมันบางๆบางๆนิดนิดเตียวเองค่ะพาาอาจารย์ค่ะถ้าวันไหนไม่ไวแตถ้ามันเป็นอากาศเย็นก็ จ, จะต้องมีอะไรปูเพื่อไม่ให้อากาศเย็นมากระทบกระแร่างกายเนาะนี่ก็เป็นเรื่องของเมดิ c a l เป็นเรื่องของสุขภาพก็ไม่เป็นไรพระอาจารย์เห็นด้วยค่ะาาอาจารย์โอเค เอาวันนี้ะกลับขอขบคุณพระอาจารย์นะคะขอไว้อาจารย์ทัอกันสวัสดีคุณยินดีนิวยอร์กค่ะท่านอาจารย์ไม่มีคําถามค่ะก็เดวิดฝากกลาบท่านอาจารย์เหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะท่านอาจารย์บอลซองเต้เหมือนเดิมค่ะเขาเขาก็ฝากไว้ค่ะท่านอาจารย์ขอบคุณมากนะบอกเมซีโบกู เขาก็คุณว่ากค่ะบางทีเขาก็ถามนะคะถ้านอาจารย์ท่านอาจารย์บ้างไงไม่ว่าอะไรท่านบอกไม่ต้องรูแล้วเขาบางทีเขาจะถามว่าเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยหรือภาษาภาษาอังกฤษหรือว่าจะบอกเขาตามที่ท่านอาจารย์บอกค่ะขอบคุณท่านอาจารป็นอย่างสูงถ้าท่านอาจารย์เขาก็ปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะท่าอาจารย์ไปที่ภูเก็ตคุณคุโอภูเก็ตพีเคภูเก็ต อ่าพูดมาเลยพูดดังๆาไม่ค่อยเบาหน่อยเสียงวันนี้ดูจะขอให้อารต้องเข้ามาวัอใครเช้าวันนีหน่อยอาจารย์ไม่ยอมเข้าธรรมชั่วคราววันนี้พี่จิมก็เข้าทํามเหมือนคนเช่นกันแล้วพอดีเมื่อเช้าไปบางทีก็คือประทําหมงเปิดตางดทานบ้างเลยก็ค่ะ เอาไปทานข้าวปุ๊บแล้วทานข้าวเยอะก็เลยไปหัดห้องรับไปทาอะไรแล้วมันเลยไม่ยอมเข้าห้องนะก็เลยแอบยังไปบอกว่าลงลิดไปอยู่ไปอยู่เจ้าครัอาจารย์ก็เลยทีนี้ก็เลยว่าฉภาวนาหน่อยเจ้าใหับอาจารย์เพราะเดี๋ยวใจทะลุลักจมีแอบทะเลาะไม่ใช่อาจารย์ตัดลอพีก็มีแอบทเลาะอะไรจารัอาจารย์ผลิัดที่แล้วจาั ก็พอพอหลังจากพ้นฤดูหันมาก็หยุดตั้งเจ้สาวหอยทางได้คือผมก็ว่าไปไปไปทานขนมมาเจ้าสาอางเวาพิธีไทนมแล้วก็ไปทานรงฆ์ไปทานพีทานหลังเที่ยงแล้ววันนึ่งเจ้าสาวหจางแต่หลังจากนั้นมาก็คืออ่าวมดทานไม่เดียวเหมือนเดิมค่ะอาจารย์นี้อ่าการการปฏิบัติตรงเหนืนะคะเหมือนจะดีขึ้นด้วึ้าสางก็คือเหมือนจะ เงงขึ้นแล้วก็เริ่มกลับมาดูลมหายใจด้วยบ้าง น, นคะคะมันจะมีสภาวะเป็ที่ว่าแต่หนูอายการฟังธรรมนะคะอาจารย์ดีฟังธรรมใช้ใช้การฟังธรรมเพนมันจะ่งมันจะมีสภาวะที่ว่าพอพอฟังธรรมไสักพักหรือว่าอ่านธรรมะเป็นว่าพอมันนิ่งเนี่ยพอหนูนั่งภาวนาไปหรือว่าดมลมดูลมหายใจไปเน่พักมันจะมีนี้การเปิดไฟขึ้นมาค่ะอาจารย์หรือจะมีสว่างขึ้นมานิดนึงอย่างนี้ค่ะแล้วก็ มันมันจะมีไป็บากครั้งที่ว่าพอจะออกจากจากตรงนี้เนี่ยมันจะมีเหมือ น, มนเหมือนบหมือนุ่เข้ามาเป็นเป็นแบบว่าเหมือนติดกับด้านเข้ามาเลยก็ขอพระพรจะแรกๆเหมือนไปเริ่มมีสว่างขึ้นมาก็รู้แล้วปล่อยว่างอย่าไปสนใจกลับมาที่การภาวนาต่อทช่ไหแล้วอย่างจะชอบแบบว่าบางทีอ่าพอกลับมาดูลมหายใจได้ใช่ไมมจ้ะคะ แล้วลมหายใจหายไปนะบางทีไป น, นึกถว่าวิเราลืมเรานึ ม, มดลูลมหายใจเหมือนนี้เจ้าฟ้ากาจาล้วก็จะจะมาดูที่ลมหายใจต่อเหมือนกัค่ะที่จริงตรงนี้คือต้อ ง, ง, ง, ง, งกคือต้องต้องปล่อยใ่้อ่าเราเวลาไม่คิดอะไรหรือว่าลมหายใจหายไปต้องยืดทิงไเลยเช่นอาจาย์ก็รู้ดูที่เดิมร <ๆ S 1> ู้เฉยๆว่าตรงนี้เมื่อก่อนนี้มีลมตอนนี้ไม่มีลมนะประธานนั้นเองค่ะที่จริงเราวิเรานึมเราลืมดูลมหายใจเลยเหมือนเจ้าฟ้าอาจารย์ ลืมทำบริกหรือเปล่าลืมดูลมหายใจไรอเลยคิดไปเองคิดไปเองเวาไปคิดอะไรก็รู้ว่าไม่รู้ว่าตอนนี้ไม่มีลมก็ให้ดูก็รู้ว่าไม่มีลมให้ดูดูความว่างไปกค่ะเสร็จแงวเส็ไปดูน่จะทำใสุดไปค่ะมัก็ไม่มีถามอะไรแล้วก็ค่ะโอเคนะจู่คุณม่ลายพรกลับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ ก็ไม่มีอะไรค่ะเขามากับพระอาจารย์ค่ะแล้วก็ปฏิบัติอยู่ยังเหมือนเดิมอยู่เจ้าค่ะอืมผวามยาวขึ้นยาวขึ้นเลยนะยาวขึ้นค่ะพระอาจารย์ยังไม่ได้ทําอะไรเลยเอ่าเสียดายนะนะค่ะไม่ค่ะจะจะตัดอีกก็กล่าวว่าเดี๋ยวจะตัดคะขาผอาจารย์อืมแต่ก็ยังเกรงใจคุณสาเขาอยู่ก็เอาไว้ซะหน่อยขาะ้าจานค่ะ ปฏิบัติอยู่ค่ะวพาจะรักษาท่าทานะคะจ้าชาตุจราตค่ะพรเจ้าคุณแนนต่อการนัวมาสรการนะพระอาจารยูไม่มีคำถามซล้ค่ะโอเคคุณมาริการาธิวาอันนี้ปล่อยให้ขึ้นเพื่อนขึ้นเขาคนเดียวนะนัมาตรการก่ะพ่อมาอยู่ด้วยคุณพ่อมาอยู่ด้วยจะถามพระอาจารย์ ก็วัน uhm นี้ก็จะถามพ่อาจารย์อยู่เหมือนกันว่าในเรื่องของว่าความอยากของตัวเองว่าเพราะว่าพ่อพ่อไปมีกฎยริอตอนนั้นการที่ว่าแล้วมันก็มันก็จะบวมบ้างอะไรบ้างแล้วก็แบบแบบมีอาการคันผิวแห้พ่อไม่ทานน้ำก่ับว่อาจารย์ ค น, นนี้บ่นพออนน่นพอก็เล่ามาว่าโอ้ยตายแล้วบาดมาดูอ๋อบาดพ่อจะถามพาระอาจันอยู่นั่นว่าบาดไหมก็รู้แล้วว่าพ่อจย์บอกแล้วเมื่อกี้อ่ะว่าบาดเดี๋ยวลูกจะไม่ถาม ม, มันก็ก็แล้วแต่ว่ามันมันถ้ามันพูดแล้วเกิดประโยชน์แล้วท้ายพ่อเขาปรับปรุงตัวเขาเองได้ก็พูดได้แต่ต้องระวังวิธีพูดไม่ต้องอย่าไปสอนเขาอาจจะคุยขเขาดูว่า พ่อกินน้ําน้อยไปหรือเปล่าถามเขาอย่างเงี้ยอย่ไปบอกพ่อต้ากินน้ํำเยอะๆนะเออจะบอกว่ามึงกินน้ำเยอะๆนะ ก, กินน้นะํนนาขวดยังไม่หมดขวดเลยเออก็มันน้อยเกินไปหมอเขาบอกว่าถ้ากินน้อยกินน้ําน้อยนั่นร่างกายจะมีปัญหานะาาแต่ถ้าพูดไม่ได้ก็ปล่อยไปตามบุญตามกรรมของพ่อเขาก็แล้วกัน ค่ะค่ะค่ะนั่นแล้วก็บอกแล้วว่านั้นแล้วก็ต้องแต่ว่าต้องทําใจให้ได้ค่อนะอาจารย์นะว่าเราพูดไปเขาไม่ทําตามเราอยู่ดีใช่ไหมทำค่ะเพราะเมืนก่อนสองสามวันที่ผ่านมานะั้นก็มันเริ่มเป็นปราเริ่มคันที่ที่หลังหลังเท้าก่อนก็โอเคพอทานนะ้ำตื่นขึ้นมาเออพดทานน้าแล้วนะก็หัวล็อกเป็นขาก็ออพอทานน้าแล้วนะแต่พอสองสามวันผ่านมาเอา้า เขไม่ทานน้าเพราะความไม่ทานน้ําก็มันก็เริ่มมีอาการเพราะว่าคนเก้าสิบปีแล้วเนาะอาจารย์ก็มันก็จะผิวแห้งแล้วก็จะคันแล้วก็พอคันแล้วก็ควรสิแล้เดี๋ยวก็ลูกลุกลกอ่ะเดี๋ยวก็เรียกแล้วก็เรียกแล้วก็หลับก็ไม่เต็ตมตื่นเอามาแต่ก็ไม่มีปัญหาตรงนี้แต่ว่าวันนี้ก็ได้ข้อคิดอย่างหนึ่งคับพระอาจารย์ก็คือพอ พูดเสร็จแล้วเก็นึกว่าเออตัวเองก็บาปหรือเปล่านี่แหละแต่พอบอกว่าพ่อสวดมนต์นะว่าน้ำโมสามจบแล้วก็สวดมนต์พ่อสวดมนต์ไม่หลงเลยแล้วก็เออนี้ถ้าเป็นเราเนี่ยถ้าเป็นเราเราก็คงจะหงุดหงิดแต่ว่าพ่อพ่อไม่หงุดหงิดเลยคนอายุเก้าสิบปีก็เลยว่าเออนะเราจำไ่้นะก็พอแกก็ไปข้างขวาแต่ต่อไปภายหน้านั้นเราจะต้องอยู่ให้ได้ต้องมี ต้องมีสมาธิพอที่จะมานมัสวดมนต์แบบเสียดงดังๆได้นะพระอาจารย์อันนี้แหละได้ข้อคิดอย่างหนึ่งว่าตรงนี้ส่วนการบอกกับคุณอาอุตษาว่าคุณอาขึ้นไปภาวนาบนเขาแต่หนูอยู่บ้านก็ต้องภาวนาตรงนี้ก็พ ย, อยายามเดี๋ยวพระอาจารย์ก็เพราะว่าช่วงหัวรุ่งพร่าจะต้องลุกขึ้นต้อง ไม่เาหงไม่จะไม่ให้เข้าห้องน้ำค่ะพระอาจารย์เพราะว่าพ่อฉี่เสร็จแล้วจะต้องจะต้องเรียกแล้วก็เอาเอากระสุนไปเทในนั้นเราก็พอนแล้วในช่วงตีสามตีสี่นะคะพุกจะได้ลุกขึ้นมาภาวนาในนี้ไม่ไม่ได้ไม่คิดว่าหนักใจนะคะพระอาจารย์ถือว่าเป็นบุญว่าเป็นกุศลสร้างตรงนี้บอกว่าเราทําคนละอยา่างบุญกุศลญลสร้างเป็นคนลาานะอย่างนะองสาแคจแต่ว่า ถ้ายังมีหน้าที่ก็ต้องทำไปก่อนเหมือนพระอนุนมีหน้าที่รับใช้พระพุทธเจ้าก็ต้องรับใช้ไปก่อนแต่พอพระพุทธเจ้านิพพานแล้วพระอนุนก็ปฏิบัติสามเดือนก็บรรลุได้นะก็ไม่แน่เดี๋ยวพ่าคุณพ่อไปแล้วอนิกาจะบรรลุสองสามวันเลยก็ได้ก็เพราว่าอาจจะว่าไปปลายปีอาจจะปลาปีก็ไปนั่นแหละไปสักโลกหนึ่งอะไรมาณเพราะว่า ไปช้าแต บ, บหน่อยหนึ่งแลเพราะว่านั้นก็ถ้าห่างา น, นานๆแล้วก็รู้สึกว่าความที่สติของเราก็มันนิ่งเอาไม่ได้ลงเอาไม่ได้อะไรประมาณนั้นเลยไป๊แป๊ๆ แ, แ, แ, แล้วก็มันก็เอ้าอีกแล้วมันก็ผุดขึ้นมาอีกแล้วใน ล, ลักษณะอย่างนั้นนะคะอาจารย์แต่ก็ปฏิบัติอยู่พยายามที่จะทําให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทําได้แล้วก็เรียนรู้ด้วยการปัญญาที่ว่าพอเห็นพ่อ พ่อเก้าสิบส่งบนเสียงดังกินข้าวทานข้าวก็มีน้โมตั้งน้โมสามจดก่อนล้างหน้าก็มีน้โมตาสะแล้วก็อิทิบิสูอาบน้ำก็เหมือนกันก็คือว่าพ่ออยู่กับธรรมะแล้วก็นั่นหนูก็เลยว่าพาพ่อเดินจงกรมตังสอสามเก้าก็โอเคพุโทโธพุทโธไปแล้วก็ให้นอนแก็ทาได้ทาได้เท่าที่จะทาได้ถ้าพ่อไม่เบียดหก็ทำอยู่ โอเคนี่พ่อแม่ก็เป็นเหมือนพ่อหลานของลูกนะทำบุญกับพ่อหลานที่บ้านเนียดีที่สุดส่วนแม่นั้นอยู่อีกบ้านหนึ่งก็น้ก็แปดสิบกว่าแล้วก็ปลูกป็นพักแล้วหยุดแล้วยังหยุดอ่าสาธุจ้าคุณนาวินต่อคุณนาวิน สวัสดีครับคุณอาจารย์อมีอะไรไหมครับก็นั่งไปนั่งมามันจิตมันก็รู้มาว่าตัวจิตเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเราอครับมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วก็ตัวกายเนี้ยมันรู้สึกว่ามันก็เป็นของเกิดดับธรรมดาครับอาจารย์มันมันยอมรับกันขึ้นมาเองก็เป็นเป็นเรื่องแปลกใหม่นะจิตเหมือนลิงนะครับมันควบคุมไม่ได้มัน มันวิ่งไปวิ่งมาของมันเองครับจะทายังไงกับมันดีล่ะก็ต้องอบรมมันครับต้องอบรมพามันฟังให้วิชากับมันนะครับเหมือนกับว่ามันมันไม่รู้ครับมันไม่รู้ว่าทางคำสอนพระธรรมมาสอนมันให้ละบาปให้ทำแต่บนให้ละกิเลส ต้องคอยอบรมมันนะครับอ่าดีมันจะได้ไปในกิจ<อ>ทรรม ด, ดีจะได้ไม่ทำบาปทำแต่บุญคอยชาระจิตใจอยูอ่ด้วยคอยละกิเลสอลยู่ด้วยครับแล้วก็ตอนนี้พอพอมองภาพคนมันก็คล้ายๆกับมันมันขึ้นอัศว์พระขึ้นมาเองครับอาจารย์อืมมันขึ้นมาอย่างมองภาพมองภาพผู้หญิงสวยๆปุ๊บมันก็จะ เห็นข้างในนะครับอาจารย์มันมันค่อยๆขึ้นมาเองกันก็ดีเห็นไปเรื่อยๆจะได้บวชได้ครับไอ้บ่อยๆอาจจะไม่อยากจะเป็นคาราวานแล้วอยากจะไปบวชแทนไรือยู่ไปทำไมคนที่ก็อยู่ในโลกนี้ก็อยู่เพราะเรื่องนี้แหละครับแต่ว่ามัน ไอทางลิ้นเนี่ยมันยังมันยังมีอยู่เห็นทางลิ้นเนี่ยมันยังเยอะอยู่เลยจันยังไม่เห็นยังไม่เห็นความสกปรกของอาหารที่เรากินเข้าไปะยังยังไม่เห็นครับยังไม่เห็วมันมันจะกลายเป็นอะไรต่อไปเห็นไหมครับกินอหเข้าไปแล้วมันจะกลายเป็นอะไรมันก็ต้องออกมาทางทวารหนักนะครับใช่ไหมครับถ้าเห็นแบบนั้นมันก็ต่อไปมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องกินอืมครับจัน ก็มีสองเรื่องนี้ครับที่รู้สึกว่ามันจะยากๆหน่อยอืมเรื่องกลารแล้วมันนะเรื่องการแล้วเรื่องกินครับมาทั้งโลกก็มีแต่เรื่องนี้สองเรื่องใหญ่โตเรื่องการแล้เรื่องกินนะว่าดูเฟซบุ๊กเห็นก็มีแต่กินที่ไหนดีกินที่นั่นดีกินนี่ดีแต่มันเห็นมันเห็นจิตมันวิ่งไปเลยนะอาจารย์เวลาเวลานั้นนะครมันเห็น เห็นกิเลสความอยากมันพุ่งขึ้นมาปุ๊บเลยครับน้ําลายมันไหลพุ่งเลยครับเพราะเราไม่มีการคิดในทางตรงกันข้ามว่ามันจะเป็นปฏิทูนพอเข้าไปในปากเรามันก็ไม่น่ากินได้ใช่ไหมครับอพอ ม, มันผสมกับน้ําลายเราเวลาเราบวนออกมาเนี่ยเราการ ก, ากับกินกับเข้าใปใหม่หมครับครับ <laughs> อันนี้เนี๋ยต้องค่อยๆดูครัาอาจารแต่ว่าถ้ารีบไปก็อยู่บนโลกนี่ยากเหมือนกันนอาจารย์ก็แล้วแต่เราว่าเราอยากจะหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นถ้าไม่หลุดพ้นก็อยู่อ ย, อยู่ตาไปยินกับมันไปอยู่กับมันไปถ้าคิดว่ามันเป็นโลกของความทุกข์ไม่อยากจะอยู่ก็ต้องตัดพวกนี้ไปให้หมดครับก็ <Okay. S 2> ม า, มาไะ <ร S 2> นรภาวะครับอาจารย์อืม โอเคอาตั้นี้นะครับขอบคุณครับอ่าคุณหน่อยคุณหน่อยชัยนิตวันนี้หายหน้าเป็นเป็นเดือนแล้วนี่ยกาบนมรมสถารพระอาจารย์เจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะอ่าไม่ได้หายเจ้าค่ะไหนฟังพระอาจารย์ทางแล้วเข้าเข้าเข้ายากใช่ค่ะที่เข้าเอ๊ะ เลยนานๆถนงจะเข้ามาที่ใช่เจ้าค่ะถ้าถ้าถ้าเลยเวลานะจะเข้ายากหน่อยเจ้าค่ะก็เลยมีครั้งหนึ่งที่หน่อยเลยเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงอะคะ่ะเข้ามายากก็เลยฟังข้างนอกแล้วก็นั่งสมาธิเอาข้างนอกค่ะ ต, ตอนนี้ก็ยังมีอสามคนนั่งรออยู่นั่งรอจะเข้าไหมเาจ้ะคะ่ะเดี๋ยวให้แล้วพอป่ะนหนว่าน่าจะพอแล้วนเะจ้าค่ะหนไม่มีคําถามเจ้าค่ะ <Okay. S 2> เข้ามากราบพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วก็เข้ามาเน้นย้ำว่าศรัทธาพระพุทธศาสนาเจ้าค่ะโอเคสาธุอ่าไปที่คุณบัวใช่ไหมอยู่น้องคายเลยกลับนมัสการเจ้าค่ะอือยู่น้องคายเจ้าค่ะไปดี<า>ให้ใหแฟนเข้าให้แฟนเจ้าค่ะนอนไปนอนแล้วเหรอภาษาไทยเขาอาจจะไม่เข้าใจรอฟังภาษาอัางกฤษเจ้าค่ะอ่า นิดหน่อ <n> ย <oy> เขาได้นิดหน่อยอลูกมีคําถามหนูทํามสมาธิแล้วพุโทโธพุโทโธสักระยะหนึง่งหนูตั้งเวลาไว้ค่ะแล้วมันหายไปรู้ตัวอีกทีก็กลับมาพุโทโธใหม่เจ้าค่ะหนูไม่เข้าใจมันห ล, ลับไงสเตติสก็ <laughs> <laughs> เจ้าค่ะมันหายไปไหนหนูไม่รู้แต่กลับมาอีกทีก็เริ่มพุโทโธใหม่เจ้าค่ะตอนนั้นมันเติรนกลับมาเติรนใหม่ อ๋อเจ้าค่ะสติมันมีกำลังน้อยอถ้าอยู่กับมันถ้าพักอะไรเนี่ยมันก็หายไปเจ้าค่ะเจ้ไม่เป็นไรก็พยายามนึฝึกสติบ่อยๆก่อนจะมานั่งก็พยายามฝึกสติไปเรื่อยๆก่อนเจ้าค่ะดได<า>โอนเจ้าค่ะได้โอนผ่านปฏิบติไปเมื่อสองสาวันเจ้าค่ะโอเคเจ้าค่ะสาธุโมตนา แล้ว อ, อลูกไม่ได้ทํางานมีเขาดูแลลูกก็ดูแลเขาคืนเจ้าค่ะและรักษาสินไปร่วมกันเจ้าค่ะก็ดีเจ้าะมีหน้าที่ที่ช่วยเหลือกันไปดูแลกันไปน้องเพิ่เรือเสือเพิ่งป่านะเจ้าค่ะยังยังโรกยังไปไม่ได้เจ้าค่ะใจอยากไปบวชแต่ทําไม่ได้เจ้อเอาค่ะอก็รักษาสินห้าไปก่อนะเจ้าค่ะ พอดีได้เขามาคองเรือนแบบไม่ไม่ดื่มบุหรี่ไม่ดูดเหล้าอะไรเงี้ยอพูดผิดจังเพรชอบดีชอบดีเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะนี่มีคำถามเรจะเขาเป็นวิศวกรมาก่อนไม่ใช่ไหเจ้าค่ะเขาเกษียณแล้วค่ะเป็นคนไทยแล้วเจ้าขาพระจันทอ่าดีเจ้าค่ะเาใช้ชีวิตแบบคนไทยเจ้าค่ะคนไทยเราอยู่แบบสบายสบายไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่เจ้าค่ะ โอเคนี่เจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะอพยายามทำบุญรักษาะศีลไปเรื่อยๆนะเจ้าค่ะสาธุองเทสฟังธรรมไปเข้ามาร่วมฟังพัฒนาธรรมไปเราจะเรีนรู้เพิ่มเติมนไปเรื่อยๆเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะอ่าไมปที่คุณหมอต่อคุณหมอสุทัศนีลูกไม่มีคำถามเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์ เงียบดีนะดีเจ้าค่ะท่านผู้อาวุโสโอเคข อ, ขอบคุณค่ะน้องเอิงนะน้องเอิองอา่าันนี้อยู่ที่ไห น, น ก, การอภิษฎการค่ะผู้อาวุโสวันนี้มาเฝ้าออฟฟิศให้เพื่อนค่ะเพื่อนอคนอย่างปิดค่ะคุณเขาเล่นทำไมนะ อ่าเพื่อนขนย้ายออฟฟิศค่ะแล้วเราก็มาดูการขนย้ายไม่ให้เขาโยนของค่ะอ่าค่ะอ่าวั น, นวันนี้เอิงไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์ก็เอิงก็ยังไม่ทิ้งธรรมค่ะไม่ว่าจะเจอเรื่องใหญ่ขนาดไหนค่ะพระอาจารย์อก็เรื่องธรรมดาในโลกนี้นะมีมีทั้งมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีผสมกันไปเราก็ต้องแยกแยะไป สิ่ี่ดีเราก็เก็บไว้สิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ทลาไปาไม่ใช่ไม่ใ ช, มใช่มันไม่เกี่ยวเราเราก็ยังต้องดําเนินาการของเราเหมือนเดิมเราก็ต้องมีศรัทธามีสติมีสมาธิเหมือนเดิมอยี่ยศรัทธานในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ค่ะคระอาจารย์เอองยังมีความศรัทธาที่ตั้งมั่นอยู่ค่ะเรายังต้องดําเนินปฏิบัติของเราต่อไปจนกว่าเราจะถึงฝัน ยังไม่ถึงฝังแเราก็ต้องทำต่อไปค่ะะอาจารย์ถ้ า, าเรือถ้าลำนี้รั่วก็เป็นก็เป็นเรือใหม่แปลกก็ยังอยู่ในพระคุณพระธรรมสงข่าวพะอาจารย์แต่ว่าช่วงนี้ก็ก็ถึงแม้ว่าจะมีเรื่องมาให้ได้จัดการมากขึ้นแต่ว่าเอิงก็ไม่ทิ้งธรรมอย่างที่บอกพระอาจารย์ค่ะก็ยังแบบ ทำสมาธิบ้างเดินจงกรมแล้วก็สวดมนต์เช้าสวดท่าเช้าไม่ได้ก็ทํำวัดเย็นทําวัดเย็นไม่ได้ก็ทําวัดเช้าแทนค่ะอืเคยถามเอไอบ้าง ว, าว่าเวลาเสื่อมศรัทธาต้องทํำยังไงบ้างเอิงอ่ะสําหรับตัวเอิงเองเอิงไม่เคยเสื่อมศรัทธาค่ะเอิงก็เลยไม่ได้ถามไมไ่ถาม เพอิงปฏิบัติเราเอิงรักพระพุทธเจ้าจริงๆค่ะพระอาจารย์เอิงก็เลยไม่รู้สึกว่าต่อให้เหตุการณ์มันจะร้ายแรงขนาดไหนเอิงก็ยังไม่เคยเสื่อมเลยค่ะพระอาจารย์อืมดีถ้าง น, นก็โอเคไม่มีปัญหาค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะโอเครู้จาบอกให้ให้ยึดหลักทำไว้คนนี้ไปไ ป, ไปมาม า, ม, ามีเกิดไม่ดับเป็นธรรมดาทุกคนอืคุณบาอาจารย์ที่ตายไป็นตองเยอะแยะก็มี คูบาอาจารย์ที่โผล่ขึ้นมาใหม่ก็มีแต่หลักธรรมนี้ย่างยืนถาวรเหมือนเดิมอาการที่โก้ค่ะอาจารย์ขอบคุณนะคะอค่ะะอาทุกคุณซันนี่แบ่งเข้าก่ธรรมสการคะ่ะอาจารย์วันนี้มาร่วมฟังธรรมค่ะไม่มีคําถามค่ะทุกอย่างเรียบร้อยดี เรียบร้อยดียังถือศีลแปดอยู่ค่ะพระอาจารย์อืมโอเคสาธุอ่ที่คุณยานัญญาคุณคุณก็อยู่่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฉันกราบนมัส ก, การเจ้าค่ะก็ <c oughs> ปฏิบัติอาทิธิ์ผ่านมาก็รู้สึกสงบขึ้นค่ะพระอาจารย์มีสติมากขึ้นอาจจะไม่ได้แบบเยอะมากแต่ก็ ก้าหน้านิดหนึ่งเจ้าค่ะก็ดีต้องพัฒนาไปเรื่อยๆ อ, อันนี้เหมือนปลูกต้นไม้เม่นค่อยๆเจริญไปไม่ใช่พูดพ่านค่ะแต่ก็รู้สึกได้ถึงความรู้สึกข้างในอะค่ะพระอาจารย์ว่าสงบสงบขึ้นแล้วก็ความคิดฟุ้งซ่านน้อยลงเจ้าค่ะพระอาจารย์ อย่างเวลาหลับเวลานอนเนี่ยตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นบารีกรรมก็รู้สึกว่าหลับไปตอนไหนไม่รู้ตัวเลยคือมันความคิดมันน้อยลงเยอะค่ะเพรพอบาลีกรรมไปปุ๊บเอาหลับมาแล้วตื่นใหม่ฝันก็น้อยด้วยนะสคะแบบแล้วก็ตื่นเอาเช้าแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกรู้สึกเหมือนเหมือนห้องที่มันมันได้ได้จัดระเบียบเหมือนเมื่อก่อนอาจจะมีของเยอะมันลกอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้รู้สึกมันมันมันเรียบร้อยขึ้น มันเรียบร้อยขึ้นเจ้าค่ะก็ก็มีกําลังใจนะเจ้าค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเห็นผลทางด้านจิตใจเจ้าค่ะอาจารย์ดีปฏิบัติใบไปมันไม่เห็นผลมันมีผลแล้วมันจะมีกําลังใจที่จะปฏิบัติเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใช่เจ้าค่ะแล้วก็วันนี้มีคําถามสั้นๆเจ้าค่ะอาจารย์คือฟังพอาจารย์เทศแบบไหลไหลไหลกันนะคะแล้วก็อยากทราบว่า การที่จะหลุดละสักกายทิที่อะค่ะคือต้องได้ขั้นพรมเสมอเท่านั้นถึงจะได้วางอุเบกขาว่ากายกับใจเป็นคนละส่วนกันแล้วจ้าค่ะพระอาจารย์ใช่ขั้นพาริยบุคคลนี่มันต้องผ่านขั้นสมาธิที่ให้ได้ก่อนถ้าไม่มีสมาธิมันละไม่ได้มันละทั่งย่ยากแต่ว่าสมาธิมันมันต้องถึงขั้นฌานสี่หรื อ, อต้องได้อุเบกขามั่งเถีะ สู้กับความอยากได้แต่ชาติมันก็มีเสื่อมไหมคะพระอาจารย์สมมุติว่าเคยได้แล้วได้เห็นแล้วว่ากายกับใจมันเป็นคนละส่วนกันไม่ไปยึดกายแล้วพอได้แล้วมันคือได้เลยใช่ไหมมันจะไม่กลับไปกลับมาใช่ไหมคะพระอาจารย์ถ้าเป็นชานมันก็จะเสื่อมก็จะยังยังปล่อยแบบชั่วคราวอยู่แต่ถ้าเป็นปัญญามันที่มีมีฌานถนัดถนนมันก็จะมันก็จะปล่อยอย่างถาวร อ, อ๋อต้องไปคู่กันต้องพิจารณาด้วยอ่าต้พิจนารณาด้วยเอาจชกสมาธิก็พิจารณารนานานกายว่าไม่ใช่ตัวเราของเราค่ะแล้วค่ะความที่จะให้มันตายไปความที่จะให้มันกลายเป็นน้ำนมไฟไปหมายถึงถ้าคนมีมีความรู้สึกว่ากายไม่ใช่เราเขาจะไม่กลัวแก่ไม่กลัวเจ็บแล้วก็ไม่กลัวตายเหรอเจ้าคะใช่ก็ไม่ใช่เรา ค น, นอ่นไปยังไงเราไปกูแทนเขาแล้วเปล่ร่างกายเขาจเราแต่เราไปกลัวแทนมันทําไมแต่เวลามันเจ็บมันคือเจ็บจริงอะค่ะพระอาจารย<ม>์เราไม่ได้กูก็ไม่ได้ว่านะไม่ได้ว่าไม่เจ็บรจริงๆมันเจ็บอยู่ที่ร่างกายเราเราเป็นดึงมันเข้ามาในใจเราเองแล้วคนวคนส่วนมากอะจะมีใครที่เขาได้ก่อนตายไหมคะพระอาจารย์หรือว่าเยอะยๆไปก็ไม่ได้รอตายถึงจะได้หรอกความรูนี้ เขาก็ไปหาความตายในพิสูจน์เลยพระพุทธที่ไปอยู่ในป่านะ่ยเขาไปหาสัตว์ไล่ต่างๆเพื่อไปพิสูจน์ว่าเขาปล่อยได้หรือเปล่าแต่สมมุติถ้าเป็นคนปกติธรรมดาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเราพอก่อนจะตายอาจจะแบบเห็นร่างกายเราเอา้าทําไมเราบังคับแขนเราไม่ได้เราบังคับมันมันอาจจะปลงได้นะเวลานั้นแต่ว่าหมายเขาว่า ณเวลานั้นคือคนคนนั้นน่ะคือมีความเชื่อมั่นในพารณาตรายัยสี่ห้าไม่ได้ด่งพร้อยแล้วก็ปลงในสังขารว่าแบบเออยอมตายอ่ะมันมันถึงเวลาแล้วเขาก็อาจจะตกกระดาพลอยโจรได้ในช่วงสุดท้ายของชีวิตใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์ก อ, อไม่รู้และถ้าถ้าอย่างนั้นคนตายทุกคนก็ได้นี้หมดทุกคน <laughs> ไม่อธิซองคิดไว้ก่อนเลยค่ะถ้ามีความรู้มาก่อนก็อาจจะอาจจะบอกว่าแบบอะไรอะไรวางใจได้ได้ใกล้เคียงแต่ถ้าไม่ได้ศึกษามาก่อนก็จะไม่ได้รู้ในส่วนนี้ค่ะอาจารย์ถามเป็นความรู้เถอะค่ะก็มันก็พูดยากแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแล้วแต่ถ้าถ้าถ้าตัวอย่างมันลงตัวมันก็ได้ถ้ามันไม่ลงตัวมันก็ไม่ได้ ถ้าสมาธิก็มีปัญญาก็มีแล้วเหตุการณ์มาบีบบังคับให้ปล่อยมันไงมันก็ปล่อยได้ก็มีปล่อยไม่ได้ก็มีแล้วแต่ไม่กล้าพูดสรุปว่าเหมือนกันทุกคนเจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะแล้ว อ, อ, อ, อ, อ, อ, อีกคำถามเจ้าค่ะนะครับจดเ อ, อ, อาไว้นะคะ คือถ้าคนที่ไม่ได้รู้คำสอนของพระพุทธเจ้าทำทานรักษาศีลไปก็ไปเกิดเป็นเทวดาพอหมดบุญก็กลับมาเกิดเป็นคนถ้าไม่ถ้าไม่ได้เจริญสมาธิถึงขั้นฌานก็จะวนอยู่อย่างนี้เหรอคะอาจารย์ก็ยังอยู่ในระดับนั้นถ้าอยู่ในรขั้นสมาธิก็มันก็จะวนอี ก, อ, กอีกระดับหนึ่งแล้วก็ยังวนอยู่มันต้องถึงขั้นปัญญามันถึงจะไม่กลับมาเว้นว่าตายเกิด อแต่ถ้าถ้าได้สมาธิแล้วอย่างน้อยคือปลอดภัยคือยังเวียนบนไม่เกินเจ็ดชาติแล้วก็ขึ้นอยู่กับกําลังถสมาธิยังไม่ได้ยังไม่ได้เจ็ดชาติต้องเป็นได้ต้องปัญญาบ่เป็นได้พระโสดาบันก่อนถึงจะได้เจ็ดชาติอ๋อเจ้าค่ะพระอาจารย์สมาธิก็ยังเวียนว่าตายเกิดไปเรื่อยๆ อ, อยู่ก็ยังมีสิทธิ์พลาดได้ใช่ไหมเจ้าคะ่ะก็ยังไม่บรรลุยังไม่บรรลุบรรพายัญญาบุคคลในแค่พรหม ผมก็ยังไม่ ไ, ได้เกิดเหมือนกับพวกเทพเหมือนกับพวกมนุษย์เนี่ยเจ้าค่ะนี่คือหลักสำคัญก็คือต้องเข้าสมาธิให้ได้แล้วก็เจริญปัญญาไปด้วยเพื่อให้ไม่ยึดร่างกายของเรามองว่ามันเป็นคนละส่วนกันใจกับร่างกายาไม่ใช่กันเดียวกันเห็นร่างกายมันเป็นอันนี้จังทุกขังอนัตตา โอเคคำถามสุดท้ายสั้นๆเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วถ้าเกิดคนที่ก่อนเขาจะเสียชีวิตเขาเจ็บมากๆเลยอะ่ะเขาทรมานแล้วใจมันขุ่นมัวต่อให้เขาทำดีมาทั้งชีวิตเขาเขาไปไหนอ่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ไปตามบุญตามบาปที่เขาทำไว้มันไม่ได้อยู่ที่วิธีตายไม่ได้อยู่ที่ความทรมความเจ็บแบบว่า อ, อ, อยู่ที่ว่าเราทำบุญมากกับบาปหรือทาบา ป, ม, บาปมากกว่าบุญ บุญก็ถ้าบาปมากกว่บบบาบุญบาปก็หนึ่งไปอบายถ้าบุญมากกว่บบาบาปก็บุญก็หนึ่งไปสวรรคะ์ะเท่าค่ะมันจะมันจะ อ, อยู่ที่วิธีตายว่าตายสงบตายทรมานไม่ไม่ทรมานไม่เกี่ยวกันอืมเจ้าค่ะเจ้าค่ะไม่มีคัน้นถาวแล้วค่ะพระอาจารย์ขอพอะคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์อ่าสาธุอ่าคุณมาลีเจนคุณมาลีตามหลวงพ่าค่ะ ในอยู่ก็ไม่ไม่มีคำถามนะคะหลว็พไปยังปฏิบัติ <Okay. S 1> จริงโอเคค่ะ ย, ยังก็ไปทันต่อไปนะค่ะหลวงพ่อคุณคุณจอยเอ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่นกล้าใหม่เลยตอนต้นเข้ามาเป็นเป็นอีกล้องพอดที่หนูออกมารับลูกตอนแรกหนูก็เข้าคุมอยู่โ hop ไปนอกกับเพื่อน รับล ก, ล, กลูกผู้หญิงที่เรียนหนังสือแล้วนะก็เลยแบบคือจะออกก็เข้ามาแล้วก็เลยเข้าก่อนก็เลยยังไม่ออกอืมก็ของหนูเหมือนเหมือนเดิมค่ะพระจารู้ทุกอย่างของหนูทุกอย่ายังไม่ก้าวหน้ายังไม่ถอยหน้าอยู่ท่าเดิมที่เดิมเธอก้าวหน้าเหมือนก็ก้าวหน้าก้าวหน้าตรงที่พระจารบอกว่าก็เขาไม่ใช่เขาเป็นส้มจะให้เขาเป็นกล้วยไม่ได้ก็นั่นแหละค่ะหนูก็พยายาม ก็อยู่กับเขาไปอยู่กับกล้วยไปอยู่กับส้มไปใช่ค่ะหนูก็พยายามอันนี้แล้วก็แต่ว่าเ ข, ขาครอบครัวคนอื่นน่ะเขาจะแบบทูกใจว่าทําไมเราถึงยอมอยู่เฉยแต่ก็ก็มันเปลี่ยนมันไม่ได้อ่ะเราทำยังไงอ่ะหนูก็นิ่งๆอยู่ใช่เขาไม่รู้วิธีปฏิบัติที่จะทําให้ใจเราแน่ไ ง, งใช่ค่ ะ, ขะ เ, าเะขาก็เลยบอกว่าเราอ่ะรักมากนะหลงมากนะอนะไรอง น, น, นี้แต่แต่ความจริงเราก็คิดว่าก็หนูพยายามเยอะแล้ว หนูมไม่อยากเหนื่อยแลยเอาอะไอย่า ง, งนี้ก็อย่าไปฟังคนอื่นเลยเราตัวเราเรารู้ว่าเราสุขหรือว่าทุกข์แค่นี้ก็พอไม่ใช่เหรอคะคนอื่นเขาจะเข้าไม่มาสุขแทนแเราก็ไม่มาทุกข์แทนแเราเ้วไปฟังมันทำไมเสียเวลาคา่ะก็ใช่ค่ะจริงค่ ะ, ะแล้วหนูไปบริจาคเรื่องมาด้วยนะคะอันนี้คื อ, อดีก<ด>ันใช่ไหมคะ่ะอ่าก็เหมือนกับบริจาคเงินนะเลือดก็เป็นเหมือนเงินค่ะเขาบอกว่าสามเดือนครัง ได้ครั้งหนึ่งนีนี้ได้บุญแต่ถ้าใบจากเอาไปว่าตอนที่ตายไปแล้วไม่ได้บุญอ๋อเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราได้บริจากไปหรือเปล่ า, วาเวลาตายไปแล้วเราไม่รู้แล้วว่าร่างกายของเราเข้าไปทําอะไรบ้างแต่ตอนนี้เรามีชีวิตอยู่เรารู้ว่าตอนนี้เราบริจากเมื่อเดินไปแล้วก็เกิดความสุขใจขึ้นมาใช่เหาเรื่องของเรามีคุณค่าคนที่เกิดอบุบัติเหตุเขาต้องการเลื่องมากๆถ้าไม่ได้เรื่องของค่ า, า จ, จะตายได้ ค่ะคือก็สราจะพยายามทำแล้วก็พยายามคิดเหมือนที่พระอาจารย์สอนว่าพยายามสละออกตอนแรกอะในใจมันมันหวงหาแบบว่าเหมือนยังเรื่องเงินอย่างเงี้ยใช้นี่แทนเขาเีัยก็คิดว่าทําไมเราต้องทําแต่คิดไปคิดมาก็มันเป็นกรรมของเราเราก็ทําไปเหอนเนอะอะไรอย่างเงี้ยมันสละออกอีกก็คือถูกใช่ไหมคะเอ่เป็นการทําบุญนะทำบุญเปนต้องตายตันว่าเออทําไมเราพอจะหามาอย่างเหนื่อยแต่ก็ต้องไม่ต้องคิดใช่ไหมคะ ก็ยินดีนแต่เราถ้ายินดีทำก็โอเคถ้าทําแล้วมีความสุขก็ทําไปทําเพื่อให้จัดปัญหาครับเพื่อจะได้ให้มันก็ดีตอนนี้มีปัญหาก็าทำไปก็แก้ปัญหาไปไพยายามคิดว่าอย่าไปเสียดายมาเลยจอนเพราะว่าถ้าเธออยากตายไปก็ไปไม่ได้คิดอย่างนี้ตายไปก็ไปไม่ได้พยายามตัดออกทีละข้อข้ อ, ขอนึงทีละข้อหนึ่งก็ พยายามอยู่ค่ะจะถ้าก็าาคือพยายามพยายามอยู่ต่หนูก็นั่งสามาธิสวมดมนต์อยู่นะคะแล้วก็หนูไปใส่บาตรตามเดิมค่ะโอเคสาธุ<ะ>ใครต่อไปใครไปแล้วคุณจุ๊บจุ๊บต่อนามัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ไม่มีคําถามเจ้าค่ะมาร่วมฟังธรรมเจ้าค่ะโอเคงั้นไปที่รัเบเมี เจ้าค่ะคุณปุ้ยใชคยคาาย่คุณปุ้ยค่ะพระอาจารย์คุณปุ้ยค่ะรายงานตัวค่ะอ่าว่าไงอ่าโยมปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบปฏิบัติทุกวันสวดมนต์ตอนเช้าเจริญจิตภาวนาแล้วโยมก็ทําเพิ่มเติมที่ท่านพระอาจารย์พูดว่าทําทาน แล้วก็ยมก็ดีใจมากยมได้ไปร่วมบุญกับวัดปทุมวนาลามวัดหลวงปู่มั่ น, นะะ่ะค่ะที่ที่เขาทําอะไรหน้าทางอีสานเขาทําไอข้าวประดับดินหรือดินประดับข้าวอะไรค่ะทาบุญบุญบุญสาบุญเดือนเก้าอ่ะค่ะยมได้ไปบุญกับเขาเขาจะทําวันที่ยี่สิบสามเนี่ยค่ะที่ที่ ท, ที่มีหลวงปู่อะไรหลงพ่อหลวงพ่อสองสองอะไรสองดงหรือสามดงอะไรอ่ะะมา วันเสาร์อ่ะดีทําบุญไปลอยจากไปและโยมก็โยมก็ปฏิบัติได้เยอะเพิ่มเติมมากกว่าเดิมและโยมก็ระวังตัวเรื่องศินข้อสามมากๆเพราะว่าไอเรื่องการเมล aka เนี่ยโยมไม่กลัวหรอกเพราะว่าโยมอ่ะรู้วิธีการดับแต่ว่าโยมจะต้องระมัดระวังว่าเราจะต้องเพรโยมกลัวว่าเดี๋ยวโยมไปพูดแล้ว มีใครมาหลงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยในเราโยมก็ต้องระวังเพราะบางทีโยมรู้นะแต่ว่าโยมจะรีแอคชั่นไปในเหมือนกับเพื่อนเนี่ยเข้ามาคุยอย่างเงี้ยคือเขาเป็นเพื่อนรู้จักเรามาก่อนและเออเขาเข้ามาถามอะไรนี้คือโยมจะรู้ว่าเฮ้ยอะไรอย่างนงี้คือทำให้เรารู้ว่าเขาคิดอย่างไรกับเราและผมควอบครัวเราก็เลยตีห่างเลย พราะยมกลัวในเรื่องนี้เดี๋ยวโยมจะไปผิดศีลนะโยมก็บอกว่าขอตัวนะเพราะว่าฉันไม่ไม่ว่างฉันเป็นโรคส่วนตัวสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะโยมก็เคยขอตัวไปเลยเพราะว่าสำหรับโยมแล้วคำมั่นสัญญากับพระพุทธเจ้าต้องมาก่อนเหนือสิ่งอื่นใดค่ะพระอาจารย์นะฮะโยมจะไม่ยอมผิดศีลแล้วค่ะโยมไม่อยากทาบาปแล้วอาจารย์จะได้ปิดประตูบายนะได้ใช่ค่ะ เพราะว่าโยมเสียเวลามาเยอะแล้วแล้วอายุโยมก็เกินครึ่งร้อยแล้วโยมคิดว่ามันทางนี้มันสุขแล้วโยมเห็นเดินออกไปข้างนอกคนมันมีแต่ทุกข์อ่ะเกิดมันก็ทุกข์จะตายมันก็ต้องทุกข์อีกอย่างตายต่างเนี่ยจะตายมันก็ทุกข์อ่ะมันต้องมีเงินมันถึงจะตายได้ไม่มีเงินมันก็ตายไม่ได้อ่ะโยมก็เลยบอกโอ้โหคนเรานี่มันทุกข์จริงๆโยมไม่อยากเกิดแล้วพอาจารย์โอเคดีว่า อ้าวตอนนี้ก่อนนะถ้าไม่อยากจะเกิดแล้วก็จบนะคุณกับพระอาจารย์เจ้าค่ะพระอาจารย์โอเคโยมสมายล้วและขอให้พระอาจารย์ช่วยโยมหน่อยขอให้โยมอ่ะถอนความขี้เกียจออกไปให้หมดนะให้<อ>มีความมากกว่านี้ยได้ขอให้สมความปรารถนาตามสิ่งที่ต้องการทุกประการเถอขอให้พระอาจารย์ธาตุันแข็งแรงเจ้าค่ะไ้ธาตุขันแข็ง โอเคไปที่คุณลาต่อคุณลามีคําถามไหมอากาศมสกรรมพระอาจารย์มีทั้งหมดสี่คำถามจากทางเฟซบุ๊กและ youtube เจ้าค่ะกลับนมสการพระอาจารย์ครับในโลกนี้สัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กถ้าผมเห็นสัตว์ใหญ่จะทําร้ายสัตว์เล็กผมควรช่วยสัตว์เล็กโดยเข้าไปหยุดการกระทํานั้นไหมครับถ้าช่วยได้ก็ช่วยไปแต่อย่าไปทําร้ายสัตว์ใหญ่ครับเปน คำถามต่อไปถ้านั่งสมาธิแล้วจิตเข้าไปนิ่งสงบจึงไม่เกิดเวทนาผมจะฝึกเผาร่างกายตนเองไม่ได้ต้องให้เกิดเวทนาเท่านั้นผมถึงจะจุดไฟจากเวทนานั้นเผาร่างตนเองได้ใช่ไหมครับขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะครับใช่แนละ้วก็ต้องจำาการเจ็บปวดของเวทนามันเป็นเหมือนกับความเจ็บปวดที่เกิดจากการถูกไฟไฟเผา คำถามต่อไปถ้าผมมีวินัยเพียงพอสามารถตื่นและลุกจากการนอนเพื่อมาภาวนาได้ตามเวลาที่กำหนดผมสามารถที่จะนอนบนฟูกที่หนาไม่นอนบนพื้นที่แข็งได้ไหมครับกราบขอบพระคุณครับมันก็อาจจะขัดแย้งกันนะพอมันนอนที่ฟูกที่หนามันพอมันถึงแม้จะตื่นแล้วมันจะไม่ยอมลุกเขาเงั้นอย่าไปนอนฟูกหนาเลยถ้าเป็นนักปฏิบัติเนี่ย อย่าไปติดฟูกเลยเวลาเาวล า, าปฏิบัติเยอะๆขึ้นเราอาจจะต้องไปอยู่ที่วัดไปอยู่ที่ต่างๆที่เขาไม่มีฟูกขนาดเราได้นอนดังนั้นควจะปรับตัวเองให้นอนแบบที่มันง่ายที่สุดก็นอนกับพื้นเนี่ยปู ด, ด้วยผ้าด้วยเสื่อก็พอคำถามสุดท้ายปลังวะไลขอกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะหนูใครขอความเมตตาเรียนถามว่า อาการตื้นตันใจที่เกิดขึ้นระหว่างการภาวนาหรือเมื่อได้โอกาสทําบุญกุศลหนึ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่นักปฏิบัติสามารถมีได้ตามปกติหรือไม่เจ้าคะก็มีได้เวลาทําแล้วไมีความสุขใจมันก็มีบางทีก็มีความเพื่อปรตตามมาด้วยบางทีก็ไม่มีก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเกิดขึ้นทุกครั้งเรื่ความเพื่อปิติแต่เรื่องเรื่องของความสุขใจมันความอิ่มใจสบายใจนี่มันเกิดขึ้นทุกครั้ง ในเรื่องของวามเพิ่มปิตินี้มันอาจจะไม่เกิดบุดทีก็เกิดคำถามหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคก็หมดพอดีทุกคนที่เข้ามาก็ได้รับได้โอกาสถามตอบทุกคนแล้วก็คิดว่าพอสมควรกับเวลาตลอดเกนนี้ก็ขอให้ท่านต้องนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่ ง, งขึ้นไปเถิด